แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าไม่ควรเล่าสนามเด็กเล่นสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นและสิ่งที่เป็นอาจไม่ได้เกิดจากคนเป็นอย่าเชื่อจนกว่าจะเช้าหายไปนานเพราะการงานยุ่งนักวันนี้กลับมาอีกครั้ง ฟังกันเพลินๆินติดชมได้เช่นเคยครับกับเรื่องเล่าไม่ควรเล่าเชิญหาความสำราญได้นะับบัดนี้ชีวิตของผมกับการเดินทางมันคงแยกกันไม่ออกซะแล้วผมเดินทางมาถึงบขอสอจังหวัดสุขโขทยัยตามเวลาที่คาดไว้อาจล่าช้าไปบ้างแต่ไม่เกิน30สนาทีถือว่ารับได้ตามมาตรฐานการเดินทางในประเทศไทย แสงแดดของฤ ด, ดูร้อนปลายเดือนเมษายนยังทำหน้าที่ให้ความร้อนอย่างดีแม้เวลานี้จะเลยสี่มงเย็นไปแล้วก็ตามเป้สัมภาระถูกสะพายขึ้นหลังคนขับสาล้อรับจ้างที่ท่ารถส5้าคนเข้ามาสอบถามเรื่องการต่อรถด้วยท่าทางกระฉับกระเฉงพร้อมให้บริการโดยไม่ต้องร้องเรียกไปไหนครับสมล้อไหมาชายวเลย50ถามผมด้วยสำเนียงคนสุขโขทัยโดยแท้ไปโรงแรมครับผมบอกจุดหมายร้อยเดียว โอ้รถได้ไ้ยลุงจากนี้ไปตั้ง1ิบโลนะเกือบถึงเมืองเก่าโน่นแหละความจริงผมพอจะรู้ที่ตั้งและข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่จะไปพักมาบ้างแล้วจากอินเทอร์เน็ตเพียงแต่ไม่คิดว่าจะอยู่ออกไปจากนอกเมืองขนาดนี้ผมพยักหน้าแทนคำตอบลุงเจ้าของรถเดินนำไปขึ้นรถทันทีไม่เกิน20นาทีผมก็เดินทางมาถึงหน้าที่พักความจริงแล้วผมอยากพักในเมืองมากกว่าการเดินทางก็สะดวกสบาย อยู่ใกล้ตลาดหาของกินได้ง่ายแต่ที่ต้องมาพักที่โรงแรมนี้เพราะว่าพรุ่งนี้มีการจัดงานอบรมที่นี่และอีกอย่างผู้ประสานงานก็จองห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วจะปฏิเสธก็เกรงใจที่นี่เป็นโรงแรมใหญ่ของจังหวัดทีเดียวและดูท่าทางจะเปิดบริการมานานแล้วด้วยหากแต่ความใหญ่โตของโรงแรมมันสวนทางกับบรรยากาศที่ควรจะมีแขกเข้าพักอย่างคึกคักโดยเฉพาะช่วงเย็นของวันศุกร์ปลายเดือน มีรถจอดอยู่ที่ลานจอดไม่เกินสิบคันไม่มีพนัก ง, งานต้อนรับมายกกระเป๋าเหมือนโรงแรมใหญ่ที่อื่นผมเดินเข้าไปที่หน้าเคาน์เตอร์บริการของโรงแรมที่ทําด้วยไม้สักบิวอินขนาดใหญ่สวยคลาสสิกไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมอยู่จึงกดกริ่งที่เคาน์เตอร์อยู่สองสามครั้งหญิงสาวไวัยไม่เกิน30สิเดินออกมาจากห้องด้านหลังเคาน์เตอร์ด้วยสีหน้าเรียบเฉยเหมือนกับเบื่องานที่ต้องทําจําเจทุกวันสวัสดีค่ะผมแจ้งชื่อที่มาโทรจองไว้ เธอก้มหน้าตรวจสอบข้อมูลเพียงครู่ก็ให้ผมเซ็นชื่อลงทะเบียนเข้าพักทำไมเงียบจังครับน้องไม่ค่อยมีแขกเข้าพักเหรอผมชวนคุยพร้อมกับมือที่กำลังกรอกเบอร์โทรศัพท์หลังสงครานก็อย่างนี้แหละค่ะเงียบๆหน่อยถ้าอยากคึกคักพี่มาช่วงรอยกระทงสิคะห้องจะเต็มหมดค่ะเออพี่มาทํางานนะเลือกไม่ได้เหรอน้องผมรับกุญแจห้องพักเบอร์สองสาสี่พร้อมคูปองอาหารเช้าอาหารเช้าเริ่มหกโมงเช้าค่ะห้องพักอยู่ตึกสองด้านหลังนะคะ เธอพูดพร้อมผายมือบอกทางผมเดินไปตามทางที่เธอบอกซึ่งระหว่างทางเดินไปตึกที่2ก็มีป้ายบอกทางเป็นระยะน่าแปลกที่ว่าตั้งแต่ผมเข้ามาในโรงแรมนอกจากรีเซพชันสาวที่เคาน์เตอร์แล้วผมยังไม่เห็นใครอีกเลยทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงแรมและแขกที่เข้าพักตึกพักของที่นี่มีเพียง5้าชั้นไม่เน้นที่ความสูงของตัวตึกแต่พื้นที่ของโรงแรมกว้างขวาง รถตึกทั้งสองมีทางเดินเชื่อมถึงกันมีสวนขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางดูร่มรื่นแต่ในยามเย็นเช่นนี้มันทำให้บรรยากาศดูทึบแสงพอสมควรติดกันมีสนามเด็กเล่นเล็กๆน่าจะมีไว้ให้บริการเด็กๆซึ่งเป็นลูกหลานของแขกที่มาพักมีเครื่องเล่นอยู่3 4สอย่างทั้งชิงช้ากระดานลื่นและกระดานหกดูจากสภาพที่เห็นแล้วคงไม่มีเด็กมาเล่นนานพอดูเพราะทั้งเก่าและชารุด หากแต่ชิงช้ายังแขวงอยู่เบาๆอีกฝั่งเป็นสระว่ายน้ํากว้างน้ํานิ่งสนิทไม่มีคนใช้บริการผมเดินผ่านห้องอาหารเห็นพนัก ง, งานชายยืนชัดจานอยู่ด้านในเงียบๆคนเดียวผ่านห้องประชุมเล็กติดกันเป็นบันไดขึ้นไปชั้นบนห้องพักทุกห้องจะหันหน้าเข้าหาสวนด้านหลังของตัวตึกเป็นพื้นที่ของลานจอดรถอีกส่วนหนึ่งอย่างนี้ก็เงียบดีเหมือนกันนะไม่วุ่นวาย ผมหาเหตุผลดีๆในความคิดขึ้นชั้นสองผมเดินไปจนเกือบสุดทางเดินของตัวตึกจึงพบกับห้องพักของตนเองถัดไปอีกสองห้องก็เป็นบันไดาทางลงอีกด้านแล้วยังนึกตำหนิคนจัดห้องให้ผมว่าแขกก็ไม่มีพักทำไมจัดห้องให้ผมไกลขนาดนี้บรรยากาศห้ามงเย็นกว่าๆมันก็เงียบสงบดีแต่ยิ่งเย็นข้ามลงเท่าไหร่มันก็ยิ่งวังเวงมากขึ้นเท่านั้นก่อนที่ผมจะเดินถึงหน้าห้องพักไม่เกิน10เมตร ก็ได้ยินเสียงเหมือนโลหะเล็กๆห ล, ๆหลายๆอันกระทบกันกระ ก, กระ ก, กระมันดังเป็นจังหวะมาจากฝั่งตรงข้ามผมเดินถึงหน้าห้องพักและก่อนที่จะไขกุญแจเข้าห้องปรากฏที่มาของเสียงนั้นก็คือพวงกุญแจห้องพักสำรองของโรงแรมที่ห้อยอยู่ที่ข้างเอวของหญิงวยัยใกล้เกษียณที่เดินที่มาจากบันไดเสียงมันดังตามจังหวะ ก, การเดินดูจากชุดที่สวมใส่ ไม้กวาดและผ้าเช็ดทําความสะอาดที่อยู่ในมือไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นแม่บ้านของโรงแรมนั้นเองแม่บ้านคนนี้เป็นคนที่สามที่ผมเจอในโรงแรมป้ายังไม่เลิกงานอีกเหรอผมชวนคุยในขณะที่มือยังจับลูกบิดประตูอยู่เข้ากับเดึกจุกคุณเธอตอบมาด้วยสำเนียงพื้นถิ่นสลับกับเสียงไอคโครกสีหน้าแววตาเปลี่ยนไปด้วยความสุภาพและพร้อมให้บริการ ผิกกับหน้าตาที่ดูซุบซีดกว่าควรจะเป็นเหมือนคนป่วยมีอะไรให้ช่วยไหมจ๊ะครัวเปิดทิ้งกี่โมงครับผมสอบถามข้อมูลไว้ก่อนเพราะว่าจะออกไปหาข้าวเย็นกินข้างนอกก็ห่างไกลจากร้านค้าในตัวเมืองเหลือเกินจะเรียก3ล้อไปก็ไม่มีให้บริการที่หน้าโรงแรมไหนจะค่า3ล้อไปกลับก็200เห็นจะได้กินในโรงแรมเอาก็แล้วกันห้าทุ่มจ้ะเชิญได้เลยนะมีอะไรก็บอกป้าจวนได้นะป้าอยู่ประจาตึกนี้จ้ะ ผมเหลือบดูป้ายชื่อพนัก ง, งานที่ติดอยู่ที่กระเป๋าเสื้อระบุชื่อลำจวนชัดเจนขอบคุณครับป้าผมเข้าห้องปิดประตูยังได้ยินเสียงไอจนหอบของป้าอยู่นอกห้องข้าวยังไม่หิวนอนดูทีวีไปเรื่อยๆจนเวลาล่วงเลยมาจนทุ่มเศษบรรยากาศนอกห้องพักมืดลงแล้วตามเวลาโลกมีเพียงแสงไฟตามทางเดินของโรงแรมและบริเวณสวนเท่านั้น ที่ยังส่องสว่างอยู่สลัวรางน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนอกจากเสียงทีวีในห้องพักแล้วเหมือนทุกอย่างในโรงแรมขนาดใหญ่แห่งนี้หยุดนิ่งอยู่กับที่ไร้ชีวิตชีวาคล้ายกับไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่พลันผมได้ยินเสียงของเด็กเล็กพูดคุยปนกับเสียงหัวเราะหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานจากเสียงที่เพียงแววค่อยๆชัดและดังขึ้นเรื่อยๆ เ, เหมือนกับดังมาจากตรงบันไดข้างตึก และกำลังเดินผ่านหน้าห้องพักน่าจะประมาณสองสามคนได้ผมลูกจักเตียงหยิบกุญแจห้องที่เสียบคาช่องเสียบที่หน้าห้องน้ำเปิดประตูเพื่อจะลงไปกินข้าวหน้าห้องว่างเปล่าไม่มีเด็กๆเกจ้าของเสียงที่ผมได้ยินเป็นไปได้หรือไม่ว่าผมหูฝาดไปเท่า น, นั้นหรือว่าเด็กๆอาจจะพักอยู่ห้องที่ติด ก, กับผมและเข้าห้องไปแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูหรือว่าเสียงที่ผมได้ยิน มันไม่ได้มาจากมนุษย์ผมยังยืนนิ่งบรรยากาศโดยรอบเงียบสนิทมันเงียบจนผมรู้สึกกลัวแกรกแกรกแกรกเสียงเดิมดังมาจากมุมเดิมและเป็นคนเดิมที่เดินมาแม่บ้านของโรงแรมป้าป้าเห็นเด็กๆที่วิง่งเล่นกันอยู่แถวนี้บ้างหรือเปล่าอ่ะผมถามทันทีไม่เห็นจ้ามีอะไรหรือเปล่าจ้า เออไม่มีอะไรหรอกครับผมได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นอยู่หน้าห้องแต่พอผมออกมาไม่เห็นมีใครอยู่ก็เลยถามป้าดูน่ะอ๋อคงจะเป็นลูกๆของพนักงานที่นี่แหละพ่อแม่มาทํางานที่บ้านไม่มีคนเลี้ยงก็เลยเอาลูกมาด้วยลบกวนคุณหรือเปล่าละ่ะเดี๋ยวป้าจะบอกให้เธอตอบมาโดยที่ไม่สบตาผมเหมือนไม่อยากตอบหรือต้องการจะปิดบงังบางอย่างเอาไว้ไม่เป็นไรครับผมพูดเสร็จก็หันหลังเดินเพื่อที่จะไปห้องอาหาร ยังได้ยินเสียงไอของป้าอยู่ด้านหลังพอสุดทางที่ต้องลงบันไดไปชั้นหนึ่งผมสะดุ้งวาดกับภาพตรงหน้าเด็กสมคนนั่งหันหลังอยู่ที่บันไดขั้นสุดท้ายของช่วงพักระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนอายุน่าจะห้าหกขวบไล่เลี่ยกันกำลังพูดคุยหัวเราะสนุกสนานผมหยุดอยู่ตรงนั้นไม่กล้าเดินต่อเพราะความรู้สึกบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในใจเมื่อครู่ ทันทีที่ผมหยุดนิ่งเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะของเด็กที่อยู่ตรงหน้าก็เงียบนิ่งเช่นกันเหมือนนัดกันไว้อย่างพร้อมเพรียงแล้วร่างทั้งสามที่ผมเห็นเพียงหลังที่อยู่ถัดไปไม่กี่ขั้นบันไดก็ค่อยๆหันกลับมาอย่างช้าๆช้าๆช้าๆผมกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอใบหน้านิ่งเงียบไร้ความรู้สึกแล้วหนึ่งในนั้นก็พูดกับเพื่อนๆในทันทีว่าไปเดว เดี๋ยวผียายจวนมาหลอกเอา้าแล้วก็พากันลุกวิ่งลงบันไดไปชั้นล่างทันทีทันทีเช่นกันผมหันไปมองป้าแม่บ้านที่คุยกันอยู่ตรงหน้าห้องพักเมื่อครู่ทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหากแต่ยังได้ยินเสียงกรกแกรกแกร ก, ก, รกเป็นจังหวะแต่คราวนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงมันดังมาจากทางไหนขนแขนตั้งชันโดยอัตโนมัติความรู้สึกตอนนี้ มันถูกทิ้งอยู่ในที่ห่างไกลไร้ผู้คนมันรู้สึกกลัวและสับสนอย่างบอกไม่ถูกจะเดินกลับเข้าห้องพักตอนนี้ก็รู้สึกว่าไกลเหลือเกินมองกลับไปก็เห็นช่องของบันไดาทางลงอีกฝั่งที่ไม่มีแสงไฟให้เห็นในยามนี้มันมืดเหมือนไม่ใช่ทางสัญจรของคนถ้าไม่ไปกินข้าวคืนนี้คงต้องนอนหิวทั้งคืนผมตัดสินใจรีบเดินลงไปชั้นล่างเพื่อตรงไปที่ห้องอาหารที่เดินผ่านมาเมื่อเย็นนี้ทันทีหวังในใจว่า น่าจะเจอแขกของโรงแรมคนอื่นบ้างหรืออย่างน้อยก็ต้องเจอเจ้าหน้าที่โรงแรมในห้องอาหารแน่นอนก่อนถึงห้องอาหารผมยังเจอเด็ก3ามคนวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นเอาวะเพื่อขจัดความแคลงใจว่าเด็กคือคนแล้วยายจวนคือใครผมเอ่ยปากเรียกเด็กๆอย่างกลัวปนกล้าหนูหนเูเด็กๆหยุดเล่นแล้วหันมาพร้อมกันพี่ขอถามอะไรหน่อยที่ว่ายายจวน ยายจวนหรือผียายจวนเน่ะคืออะไรเหรอหนึ่งในนั้นเ อ, อ่ยขึ้นด้วยสีหน้าตื่นเต้นน้ำเสียงสมวัยเด็กก็ผียายจวนไงแกเป็นแม่บ้านที่นี่ผมนิ่งอึง้งใจหายว่าและเด็กผู้หญิงก็พูดต่อมาว่าแม่หนูบอกว่าไม่ให้มาวิ่งเล่นแถวนี้คนเดียวเดี๋ยวดผียายจวนจับหักคอเอาไปเร็วเดี๋ยวผียายจวนมาหักคอเอาแล้วเด็กๆ ก, ก็พากันวิ่งไปทางตึกหน้าของโรงแรม ผมยังนิ่งอยู่กับที่เหมือนถูกตรึงหน้าแม่บ้านของโรงแรมนามลันจวนลอยเข้ามาในความคิดแม่บ้านต้องเข้าทำ ง, งานกัดดึกด้วยเหรอเด็กๆวัยไร้เดือนสาไม่น่าจะหลอกเราเพราะเป็นสิ่งที่เขาพูดออกมาในครั้งแรกก่อนเราถามในครั้งนี้ด้วยซ้ําหรือว่าแม่บ้านที่เราเจอไม่ใช่คนเฮ้ยยังไม่สองทุ่มเลยเย็นขนาดนี้เลยเหรอผมนึกสงสัยอยู่ในใจที่เต้นอยู่โครมโครม ยังไม่ทันที่จะได้คิดสิ่งอื่นใดต่อไปก็มีเสียงหนึ่งสร้างข้ามาในความเงียบกระ๊กกร๊กก ร, ก, กร๊กพร้อมกับเสียงไอที่ดังอยู่โครกคราบมันดังมาจากชั้นสองและใกล้เข้ามาเรื่อยเเหมือนกําลังจะลงมาชั้นหนึ่งใกล้กับจุดที่ผมยืนอยู่ผมกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปที่ห้องอาหารทันทีประตูห้องอาหารถูกเปิดโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาบริการอากาศในห้องเย็นเฉียบ ผิกับด้านนอกเหมือนอยู่คนละโลกโต๊ะเก้าอี้ถูกจัดไว้พร้อมต้อนรับอย่างเป็นระเบียบมีเวทีเล็กอยู่มุมหนึ่งด้านหน้าห้องพร้อมอุปกรณ์ร้องคาราโอเกะแสงสว่างในห้องไม่มากนะักจนเกือบมืดเลยทีเดียวนั่นคงเป็นเพราะห้องอาหารของโรงแรมใหญ่ๆทั่วไปในช่วงค่ำคืนจะเปิดเป็นผับด้วยนั่นเองคงเป็นเรื่องปกติผมเดาหากแต่มันไม่ได้ทําให้ความรู้สึกกระอักกระอ่วนชวนเสียขวัญเมื่อครู่ดีขึ้นมาได้เลยเพราะในนี้ เหมือนร้างผู้คนผมยืนเก๊กๆกังๆอยู่สักครู่ก็มีเจ้าหน้าที่บริการของโรงแรมเดินออกมาจากหลังเคาน์เตอร์ซึ่งน่าจะเป็นทางเดินของห้องครัวอีกทีรับอะไรดีครับบริการหนุ่มถามผมด้วยความสุภาพผมสั่งอาหารจานเดียวง่ายๆแล้วเดินไปนั่งที่โต๊ะหนึ่งใกล้เคาน์เตอร์เหตุที่เลือกโต๊ะนี้นะเหรอมันดูสว่างที่สุดแล้วเพราะใกล้โคมไฟแล้วไอ้หนุ่มบริการก็ยืนจัดโน่นจัดนี่อยู่ตรงนั้นด้วย ทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้หลังจากรับออเดอร์แล้วเอาไปส่งในครัวเจ้าหน้าที่ของโรงแรมหนึ่งเดียวในห้องนี้ก็เอาน้ำมาเสร์มแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าดูเหมือนพี่ไม่ค่อยสบายหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมลดแอร์ให้หรือจะเอายาลดไข้ที่โรงแรมก็มีนะครับอาการของผมคงเหมือนคนไม่สบายจริงๆอ๋อไม่เป็นไรน้องขอบใจมากพี่แค่ตกใจอะไรนิดหน่อยอะจริงๆแล้วตกใจหนักมากถึงมากที่สุด มีเรื่องอะไรบอกผมได้นะครับหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับผมชื่อกิจเป็นผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหารที่นี่ครับผมดูป้ายชื่อธงกิจตรงตามที่เขาบอกระหว่างรออาหารลองถามดูคขไม่เสียหายถ้าเรื่องที่เราสงสัยไม่เป็นอย่างที่คิดจะได้สบายใจอีกอย่างจะได้มีเพื่อนคุยด้วยบอกตรงๆผมไม่อยากอยู่คนเดียวผมจึงเล่าเรื่องที่เจอมาเมื่อครู่ให้ธงกิจฟัง หลังจากบริกรหนุ่มฟังจนจบดูสีหน้าของเขาไม่แปลกใจกับเรื่องราวที่ออกมาจากปากผมเลยเรื่องแบบนี้แขกเจอกันหลายคนครับผมจะบอกคุณพี่อย่างไม่ปิดบังเลยนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยอยู่ในอาการสุภาพผมยังนึกในใจว่าไม่คิดจะปกปิดเรื่องแบบนี้กับแขกที่มาพักบ้างเหรอเพราะยังไงเขาก็เป็นคนของโรงแรมนี้แต่ก็ช่างเถอะแล้วธงกิจก็เริ่มพูดด้วยสัเนียงนิ่งเนิ เมืนเคยพูดมาแล้วหลายครั้งเขาเล่าว่าเรื่องที่เด็กเล่าให้คุณพี่ฟังเป็นเรื่องจริงครับแค่คําพูดประโยคแรกก็ทําให้ผมช็อกอีกครั้งผมนิ่งฟังอ้าปากค้างป้าจวนที่คุณพี่เจอเน่ะแกเป็นแม่บ้านของโรงแรมแกป่วยอดๆแอดๆมานานนะครับน่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับปอดผมก็พูดไม่ถูกว่าชื่อโรคอะไรแกไอติดต่อกันมาหลายเดือนจนมาช่วงท้ายๆก่อนแกจะตายแกไอหนักมาก ผมฟังมาถึงตอนนี้เสียงไอที่เคยได้ยินก็แว่วเข้ามาในความคิดมันยิ่งเพิ่มดีกรีความกลัวขึ้นไปอีกจนช่วงหลังป้าจวนแกต้องออกไปรักษาตัวไม่นานก็ตายแต่แกก็ยังมาทํางานให้แขกเห็นบ่อยๆไม่รู้จะมาทําไมธ <c oughs> งกิจจบประโยคด้วยเสียงหัวเราะในลําคอเบาๆพร้อมรอยยิ้มที่มุมปากเหมือนไม่ยี่ระกับเรื่องที่เกิดแม้จะมองเห็นไม่ชัดเจนแต่ผมรู้สึกได้ผิดกับความรู้สึกของผมตอนนี้ ที่แม้จะยิ้มยังยากในความรู้สึกแสดงว่าแม่บ้านที่พี่คุยด้วยคือผมหยุดคําพูดไว้แค่นั้นความรู้สึกตอนนี้เหมือนมีก้อนอะไรมาจุกที่คอไม่มีใครอีกนะครับคุณพี่พี่โดนแล้วละ่ะเขาพูดมาด้วยน้ําเสียงเรียบเฉยแต่ยังมีอีกเรื่องนะครับที่พี่น่าจะยังไม่รู้ผมเงยหน้ามองคนพูดเพื่อรอประโยคต่อไปขณะที่มือจับแก้วน้ํากําลังจะยกขึ้นดื่มที่โรงแรมนี้ ไม่มีเด็กมาวิ่งเล่นนะครับผมวางแก้วน้ําลงด้วยมือที่สั่นเทาเกินกว่าจะถือฟังต่อด้วยอาการตัวแข็งค้างเหมือนถูกสาปทงกิจหันไปมองที่เคาน์เตอร์เพื่อดูว่าอาหารที่ผมสั่งเสร็จหรือยังแล้วหันมาเล่าต่อเหมือนเป็นเรื่องปกติว่าเมื่อไม่นานมาเนี้มีลูกๆของเจ้าหน้าที่โรงแรมนี่แหละครับมาวิ่งเล่นที่สนามเด็กเล่นแล้วก็บนตึกพักของโรงแรมด้วยตามประสานเด็กเลยครับ แล้วก็มีเด็ก3คนแอบไปเล่นน้ําในสระตอนค่ํำพ่อแม่ก็ไม่รู้ไม่มีใครเห็นคงจะเล่นเกินเลยไปในสระของผู้ใหญ่ก็เลยจมน้ําตายกันทั้ง3มคนกว่าจะมาเจอกันก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วครับฟังมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกหนาวจนสัน่นแม้แอบจะถูกปรับอุณหภูมิไปแล้วก็ตามตั้งแต่นั้นมาเจ้าของโรงแรมเขาก็เลยสั่งห้ามไม่ให้ลูกหลานของเจ้าหน้าที่โรงแรมมาวุ่นวายแถวนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีก แล้วก็จะได้ไม่รบกวนแขกที่มาพักด้วยครับถ้าอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะมีเด็กมาวิ่งเล่นแถวนี้แล้ววันนี้ก็ไม่มีเด็กเข้าพักที่โรงแรมด้วยครับผมว่าเด็กๆที่คุณพี่เจอน่าจะไม่ใช่คนนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มาทีเดียวกูเจอเบิ้ลเลยเหรอผมนึกในใจหลังจากจบประโยคธงกิตเดินเข้าไปในครัวเพื่อจะเอาอาหารมาเสิร์ฟทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวในบรรยากาศที่สุดวังเวงแม้จะเป็นเวลาไม่กี่นาที แต่ความรู้สึกของผมตอนนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินผมจัดการกับอาหารตรงหน้าจนหมดด้วยความรวดเร็วแม้ความหิวจะถูกความกลัวเข้ามาแทนที่แล้วก็ตามสายตายังเหลือมองไปรอบห้องเป็นระยะเพราะความระแวงกลัวบริกรหนุ่มยังคงยืนทำงานของตนเองอยู่เงียบๆไม่ไกลนักหลังกินอาหารเสร็จผมบอกเบอร์ห้องพักกับธงกิจเพื่อให้คิดค่าอาหารและผมจะจ่ายพร้อมค่าห้องตอนเช็คเอาท์ในวันพรุ่งนี้ เขเอาบินให้ผมเซ็นขอบคุณอย่างสุภาพพร้อมกับเดินไปเปิดประตูให้ก่อนออกไปผมหันไปถามเขาอีกครั้งน้องปกติเรื่องแบบเนี้คนของโรงแรมจะไม่เล่าให้แขกฟังพี่ถามจริงๆน้องไม่กลัวแขกนี้หมดเหรอคราวนี้ธงกิตพูดด้วยแววกงังวลจริงๆผมก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้กับใครหรอกครับแต่หลังจากเกิดเรื่องขึ้นทางเจ้าของโรงแรมก็ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแม้แต่ทําบุญให้พวกเขาก็เลยไม่ไปไหน ผมเลยคิดว่าถ้ามีคนรู้เรื่องนี้เยอะๆเจ้าของโรงแรมเขาก็น่าจะทำอะไรให้มันดีขึ้นมาบ้างครับผมพยักหน้าแทนความเข้าใจไม่พูดอะไรแล้วเดินออกมาตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มเศษผมต้องเดินกลับทางเดิมซึ่งความรู้สึกกลัวในตอนนี้มันทวีคูณกว่าตอนขามามากนะักผมก้มหน้าก้มตาสาวเท้าด้วยความเร็วบรรยากาศโดยรอบเงียบสนิทมีเพียงเสียงรองเท้าที่กระทบกระเบื้องปูพื้นทางเดินเท่านั้น ที่ดังอยู่เป็นเพื่อนมือล้วงกุญแจห้องพักที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อขึ้นบันไดามาถึงชั้นสองห้องยังอยู่เกือบสุดทางเดินทันใดนั้นกรักกรักกรกพร้อมกับเสียงไอ้โคลกคาดดังมาจากบันไดฝั่งตรงข้ามยังไม่เห็นใครผมหยุดนิ่งฟังด้วยใจที่เต้นระทึกเสียงนั้นกําลังใกล้เข้ามาผมตัดสินใจจะหันหลังวิ่งกลับหากแต่ก่อนที่จะก้าวขาวออกไปนั้น พลันได้ยินเสียงหัวเราะคลิกคักของกลุ่มเด็กดังมาจากตีบันไดชั้นหนึ่งถ้ากลับเจอผีเด็กถ้าไปต่อเจอผีใยายจวนตอนนี้เหงื่อแตกเต็มหน้าเป็นเม็ดเมดผมตัดสินใจวิ่งอย่างสุดชีวิตเพื่อจะเข้าห้องให้ได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าผมวิ่งเข้าหาต้นเสียงของยายจวนที่อยู่อีกฝั่งเสียงเด็กยังอยู่ข้างหลังเสียงไอา ย, ยังดังอยู่เบื้องหน้าทันทีที่วิ่งถึงหน้าห้องผมรีบไขกุญแจด้วยสองมือที่สั่นแรง หันซ้ายหันขวามองทั้งสองฝั่งของทางเดินเสียงไอและเสียงกรัแกรกของพวงกุญแจยังได้ยินชัดบวกกับเสียงตัวเองตะกนกล้องอยู่ในหัวทำไมยังไข่ไม่ได้สักทีวะยิ่งกว่านั้นผมเริ่มเห็นหัวดำๆของต้นเสียงโผล่มาแล้วตามความสูงของขั้นบันไดใบหน้าของยายจวนพ้นบันไดขั้นสุดท้ายมาแล้วจนเห็นชัดสายตามองตรงมาที่ผมพร้อมเอ่ยขึ้นว่าคุณจ๊ะเหมือนพระเจ้ายังพอมีน้ำใจอยู่บ้าง พร้อมกันนั้นประตูห้องพักก็เปิดโอกาสสุดท้ายให้ผมได้เข้าไปผมใช้โอกาสนี้อย่างรวดเร็วที่สุดปิดประตูดังโครมล็อกล้อทุกตัวที่มีอยู่เมื่อเข้ามาในห้องพักทุกอย่างเงียบสนิทและมืดมิดจนมองอะไรไม่เห็นมีเพียงแสงไฟจากภายนอกเท่านั้นที่ลอดเข้ามาที่ขอบประตูด้านล่างจนมองเห็นเป็นเส้นถ้าไม่ได้เสียบก๊์ดที่กุญแจเข้าที่ช่องเสียบระบบไฟในห้องก็จะไม่ทางานตายละ กุญแจยังเสียบคาอยู่ที่หน้าห้องเวเอรเห้ยสวยอะไรอย่างนี้เนี่ยผมนึกในใจไม่กล้าส่งเสียงอะไรทั้งสิ้นมันอยากจะซ่อนตัวจากความกลัวที่ถาถมอยู่ด้านนอกในห้องยังมืดและทุกอย่างยังเงียบแล้วสิ่งที่ผมอยากให้มันเป็นเพียงความฝันก็เกิดขึ้นที่หน้าห้องใครคนหนึ่งกำลังเดินมานอกจากเสียงเดินที่พอได้ยินแล้วสิ่งที่ยืนยันชัดก็คือเงาของขาทั้งสอง ที่บางแสงไฟที่ลอดขอบประตูเข้ามาแล้วเงานั้นมันก็หยุดที่หน้าห้องในห้องยังมืดและทุกอย่างยังเงียบ ม, มีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นถีและเสียงหายใจหอบของผมเพราะความกลัวเท่านั้นก๊อกก๊อกก๊อกผมสะดุ้งสุดตัวทั้งสองมือยกขึ้นปิดปากแน่นอะไรก็ตามที่อยู่ข้างนอกห่างกันเพียงประตูกั้นมันเคาะประตู ความกันนั้นผมได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กที่อยู่ด้านนอกหากแต่เวลานี้น้ำเสียงปนไปด้วยความเยอยหยันและสนุกใจผมกระโดดขึ้นเตียงครุมโปงแน่นมือทั้งสองข้างอุดหูและอยู่ในสภาพนั้นจนไม่รู้ว่าเวลาล่วงเลยไปนานเท่าไหร่ในห้องยังมืดและทุกอย่างยังเงียบนอกห้องก็เช่นกันตัวผมเต็มไปด้วยเหงื่อที่ชุ่มโชกโดยไม่ต้องออกกาลังกายนั่นเพราะความกลัว และอยู่ใต้ผ้าห่มหนาเป็นเวลานานโดยที่ไม่ได้เปิดแอร์มือค่อยๆล้วงโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงเพื่อกดเปิดพอให้มีแสงบ้างผ้าหม่มที่คลุมตัวถูกเปิดออกอย่างช้าๆตอนนี้มีเพียงแสงจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือที่น้อยนิดเท่านั้นที่พอทําให้เห็นอะไรได้บ้างผมค่อยๆหันหน้าจอโทรศัพท์ไปรอบๆเพื่อหาโทรศัพท์ของโรงแรมซึ่งโดยปกติถ้ามีอยู่หัวเตียงก็อยู่แถวๆโต๊ะวางทีวี ตั้งใจจะโทรหาเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ฟรอนต์ไฟหน้าจอมือถือดับตามเวลาของระบบที่ตั้งไว้พร้อมกันเสียงโทราศัพท์ของโรงแรมก็ดังจนลั่นห้องกริง๊งกริง๊งกริง๊งผมสะดุ้งสุดตัวเพราะความตกใจกดเปิดไฟที่มือถืออีกครั้งอย่างลนลานมันดังอยู่3ามสี่ครั้งโดยยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดถ้าผมไม่รับผมคงต้องตายเพราะเสียงนี้แน่ผมตัดสินใจเอื้อมมือที่สัน่น หยิบโทรศัพท์แล้วยกหูขึ้นฟังแล้วเสียงจากปรายสายก็พูดว่าคุณพี่คะจากฟร้อนนะคะเสียงที่ได้ยินทำให้ผมใจชื้นขึ้นมากอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสถานที่แห่งนี้ ค, ค, ครับผมพยายามทำเสียงให้ปกติที่สุดเธอพูดต่อคุณพี่เสียกุญแจลืมไว้ที่หน้าห้องคะ่ะเพื่อความปลอดภัยหนูว่าคุณพี่เก็บกุญแจไว้ในห้องดีกว่านะคะ อ๋อเออครับขอบคุณค่ะปราตรีสวัสด so ิ <play> ์นะคะแล้วเธอก็วางสายหลังจากทิ้งโจทย์สุดท้ายไว้ให้ผมแก้ผมคิดว่าถ้าปล่อยให้กุญแจมันคาอยู่อย่างนั้นจนเช้าน่าจะปลอดภัยกับชีวิตและสภาพจิตใจของผมมากกว่าเพราะถึงแม้จะมีกุญแจเสียบคาอยู่ก็ไม่มีใครเข้ามาได้เพราะผมล็อกกรอนและสายยูไว้แล้วแต่หากปล่อยไว้อย่างนี้นอกจากความไม่สบายใจแล้ว ผมต้องอยู่ในห้องนี้โดยที่ไม่มีแสงสว่างและเปิดแอร์ไม่ได้ในห้องยังมืดและทุกอย่างกลับมาเงียบดังเดิมภารกิจการเก็บกู้กุญแจจากหน้าห้องพักจึงเริ่มขึ้นหน้าจอมือถือบอกเวลา21นาฬกา42นาทีผมส่องไฟไปทางประตูค่อยๆเดินอย่างก ล, กล้าๆกลัวๆตัวล็อกถูกปลดออกทีละตัวจนครบมือค่อยๆแง้มขณะที่เท้าข้างหนึ่งยันไว้ที่บานประตูด้านล่าง ถ้ามือไม่ทันเท้าก็น่าจะช่วยได้ผมคิดไม่แม้แต่จะชงโงกหน้าออกไปผมแง้มประตูมาเพียงคืบพอให้มือลอดออกไปได้เท่านั้นแล้วรีบคว้ากุญแจที่เสียบคาอยู่ติดมือเข้ามาทันทีปิดประตูแล้วล็อกด้วยความแน่นหนาดังเดิมทำเหมือนกับว่ามันจะช่วยป้องกันพูดผีจากภายนอกได้อย่างนั้นการ์ของกุญแจถูกเสียบเข้าที่ไฟในห้องพักสว่างพรึบบรรเทาความกลัวและเพิ่มความอุ่นใจได้ไม่น้อยผมรีบอาบน้ําด้วยความรวดเร็ว สวดมนต์ไหว้พระแล้วเข้านอนโดยหวังว่าจะผ่านค่ำคืนนี้ไปโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกคืนนี้ผมอนุญาตให้ไฟทุกดวงในห้องได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสุดกำลังทีวีถูกเปิดไว้ในช่องรายการบันเทิงผมไม่ได้อยากดูเนื้อหาแต่ผมต้องการเพื่อนคลิกตัวอยู่หลายครั้งสุดท้ายด้วยความเพียรจากการเดินทางทั้งวันก็เป็นตัวช่วยชันดีให้ผมหลับลงได้ บรรยากาศยามเช้าตรงข้ามกับเมื่อคืนนี้โดยสิ้นอากาศที่สดชื่นของต่างจังหวัดทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นไม่น้อยแม้เมื่อคืนจะหลับไม่ค่อยสนิทก็ตามหลังจากอาบน้ําแต่งตัวเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วผมออกจากห้องเพื่อที่จะไปเช็คเอาท์ทานอาหารเช้าแล้วค่อยไปที่ห้องประชุมเดินกลับทางเดิมกับที่มาเมื่อวานแต่เช้านี้ผมเห็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมและแขกคนอื่นๆที่มาพักอีกหลายคนทําให้ดูไม่เงียบเหงาวังเวงเหมือนเมื่อวาน ที่เคาน์เตอร์ฟรอน์ของโรงแรมมีเจ้าหน้าที่สาวประจำการอยู่ 2- อสาคนผมคืนกุญแจและแจ้งเช็คเอาท์ระหว่างรอเช็คเอาท์ผมมองซ้ายมองขวาแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงสงสัยว่าน้องครับรู้จักแม่บ้านที่ชื่ อ, อชื่อป้าจวนหรือเปล่าครับอ๋อรู้คะ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะก่อนที่ผมจะเอ่ยต่อไปกระกกระกกระก ผมจำได้อย่างแม่นยำทั้งเสียงและจังหวะมันดังมาจากข้างหลังผมผมรู้สึกเย็นว่ากตั้งแต่หัวจรดเท้าความกลัวลั่นเข้ามาที่ความรู้สึกอีกครั้งนงไงคะปัจจวนพูดถึงก็มาพอดีปัจจวนคุณพี่ก็าถามหานะ่ะหญิงสาว พ, พูดพร้อมหันหน้าบอกทิศทางผมหันตามไปเช่นกันภาพที่ผมเห็นคือป้าจวนผีแม่บ้านที่ผมเจอเมื่อวานนี้เต็มๆผมพูดอะไรไม่ออกเพราะปากเริ่มสัน่น แต่ก็พยายามเก็บอาการไว้อย่างดีแล้วประจวนก็เอ่ยขึ้นด้วยท่าทีสุภาพว่าคุณจ๊ะเมื่อวานคุณลืมกุญแจไว้ที่หน้าห้องป้าเคาะเรียกตั้งหลายครั้งก็ไม่เห็นเปิดประตูป้าเกรงใจก็เลยมาบอกน้องที่เขาเข้ากับเมื่อคืนให้โทรบอกแขกหน่อยไม่รู้ว่าเขาโทรบอกคุณหรือเปล่าประจวนจบประโยคด้วยรอยยิ้มอาการไอของเมื่อวานมีอยู่ในลาคอเพียงเบาๆ ค, ค, ครับ บ, บ, บอกแล้วครับ ผมตอบแบบงงๆแล้วเด็กๆที่วิ่งเล่นอยู่เมื่อหัวค่ําป้ากลัวว่าจะรบกวนก็เลยเดินไปตามกลับมาอยู่กับพ่อแม่มันเด็กพวกนั้นมันก็หลานๆป้าทั้งนั้นแหละว่าแต่ถามหาป้ามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะป้าจะมาส่งงานแล้วกําลังจะกลับบ้านพอดีเมื่อวานผมเห็นเด็กๆสามคนบอกว่าป้าเป็นเออเอเป็นอ๋อเป็นผีน่ะเหรอป้ายังไม่ตาย แกทำเสียงสูงแล้วก็หัวเราะออกมาเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วเจ้าหน้าที่สาวประจําโรงแรมก็อธิบายว่าพ้าจวนที่เด็กๆพูดถึงนะี่แกชื่อรันจวนค่ะส่วนคนนี้ชื่อลำจวนแกเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นแม่บ้านของที่นี่มานานแล้วค่ะเมื่อปีก่อนพ้าจวนแกป่วยเอืมหนูหมหายถึงป้ารันจวนนะคะเธอพูดมาปนรอยยิ้มสดใสจนต้องออกจากงานไปรักษาตัวแล้วแกก็เสียไปตั้งหลายเดือนแล้วค่ะไม่มีอะไร เด็กๆลูกหลานของคนในโรงแรมก็รู้จักแกดีเด็กๆก็คงเอาไปพูดล้อหลอกกันตามประสาเด็กนะคะแล้วเธอก็หันมองมาที่ป้าลำจวนส่วคนนี้ยังแข็งแรงดีแต่เป็นหวัดอมาสองสามวันแล้วค่ะไม่ยอมหยุดงานวันนี้น่าจะดีขึ้นแล้วนะป้าประโยคท้ายเธอพูดกับป้าจวนผมยังมีประเด็นที่สงสัยต่อแล้วเด็กๆที่ไปวิ่งเล่นแถวตึกพักเลยครับเห็นว่าเจ้าของโรงแรมห้ามอย่างเด็ดขาด กลัวว่าจะรบกวนแขกแล้วก็เอมกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุจมน้ําตายเหมือนคราวก่อนจมน้ําตายเหรอคะเธอทําหน้าง ง, งๆพูดเหมือนพึมพามกับตัวเองหนูทํางานมาหลายปีไม่มีใครจมน้ําตายนะคะเรื่องราวเป็นยังไงคะผมจึงเริ่มเล่าเรื่องเมื่อค่าวานนี้ที่ได้คุยกับธงกิจผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหารของโรงแรมให้ฟังเนื่องจากยังเช้าอยู่งานที่เคาน์เตอร์ยุ่งไม่มากนะักเจ้าหน้าที่สาวอีกสองคนและป้าลําจวนจึงเข้ามาฟังด้วย หลังจากผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังสาวๆหันไปมองหน้ากันอย่างงงๆส่วนป้าจวนดูจะยังไม่เชื่อในเรื่องที่ผมพูดและเอ่ยขึ้นมาทันทีว่าไอ้กิจมันถูกไฟชอ็อตตายในห้องอาหารเมื่ออาทิตย์ก่อนคุณจะเจอมันได้ยังไงทันทีที่จบประโยคผมอ้าปากค้างตาเบิกกว้างด้วยความตกใจและคนสงสยัยเจ้าหน้าที่สาวอีกคนพูดเสริมมาว่าแล้วห้องอาหารที่คุณพี่เข้าไปเมื่อคืนมันถูกปิดอยู่นะคะ เป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนเข้าไปโรงแรมรอช่างเข้ามาซ่อมระบบไฟให้เสร็จแล้วถึงจะเปิดใช้อีกทีค่ะตอนนี้ก็เลยใช้ห้องอาหารอีกห้องที่ติดห้องประชุมใหญ่แทนเมื่อวานก็ยังมีลูกค้ามาทานอาหารตั้งหลายคนเลยผมอึ้งไปอีกครั้งอาการเหมือนจะยืนไม่อยู่ทุกคนแม้จะดูตกใจแต่ก็ยังไม่ค่อยเชื่อนในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนะเจ้าหน้าที่อีกคนหยิบแฟ้มห้องพักของผมขึ้นมาเพื่อเตรียมรับทชงระเงินและออกบินคราวนี้ทุกคนหน้าซีดเผือดอย่างเห็นได้ชัด แม้จะเพิ่งแต่งหน้ามาก็ตามในแฟ้มมีเอกสารรายละเอียดค่าห้องพักส่วนกระดาษอีกใบสีเทาเท่าฝ่ามือคือบินค่าอาหารพร้อมลายเซ็นของผมข้างๆกันผู้รับออเดอร์เขียนเป็นลายมือชัดเจนระบุชื่อธงกิจทุกคนมองหน้ากันไปมาไม่มีใครพูดอะไรหนึ่งในนั้นน้ำตาคลอเหมือนกับจะร้องไห้แล้วตั้งแต่เกิดเหตุ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 เจ้าของโรงแรมเขาก็น่าจะทำอะไรให้มันดีขึ้นมาบ้างครับแถวนี้ผีดุเรื่องเล่าไม่ควรเล่าชั้นสามห้องสุดท้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองผมได้ฟังจากน้องที่ทำ ง, งานด้วยกันไปเจอมาดีที่ว่าน้องคนนี้เป็นคนไม่กลัวผีหลังจากที่น้องคนนี้ได้นาเรื่องมาเล่าในที่ทา ง, งาน เพื่อนพี่น้องคนอื่นๆที่มีประสบการณ์เคยพักในสถานที่แห่งนี้ก็แบ่งปันประสบการณ์ของตนเองอีกหลายคนผมมั่นใจว่าที่นี่มีประวัติจริงๆไม่งั้นไม่โดนกันมาหลายคนผมจึงเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาจากเค้าโครงของเรื่องจริงโดยเขียนเป็นเรื่องสร้างตามสไตล์การเขียนของผมหลังจากจบเรื่องนี้แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าที่น้องเขาเจอมาจริงๆนั้นเขาเจออะไรบ้างขอเชิญทุกท่าน หาความสำราญได้จากเรื่องเล่าไม่ควรเล่าตอนชั้นสามห้องสุดท้ายได้นับบัดนี้คุณอย่าไปพักที่นี่นะเชื่อผมถ้าผมเลือกได้ผมไม่พักที่นี่หรอกพี่เคยมีคนพูดให้ฟังหลายคนแล้วแค่นึกก็ขนลุกคำพูดของเพื่อนร่วมงานที่พูดให้ฟังก่อนออกเดินทางดังแว่วเข้ามาในสมองในขณะที่ผมยืนถือกระเป๋าอยู่หน้าสถานที่แห่งนั้นมันเป็นเวลาเกือบสี่งเย็น ก็มันเลือกไม่ได้นี่วะใครจะรู้ว่าวันนี้มันมีงานกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพทําให้ที่พักในตัวจังหวัดเต็มหมดทุกที่แล้วงานของผมก็เลื่อนไม่ได้ซะด้วยต้องมาบรรยายช่วงนี้พอดีความจริงผมเคยมาทํางานที่จังหวัดนี้หลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคยเข้าพักที่นี่เลยผมสูดหายใจเข้าเต็มปอดแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่เดินยิ้วกระเป๋าก้มหน้าเข้าโรงแรมที่นี่เป็นโรงแรมใหญ่เก่าแก่ประจําจังหวัดตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ในตัวเมืองการเดินทางสะดวกสบาย หาของกินง่ายดูแล้วก็โอทโวงดีเหมือนกันแต่ก็แปลกที่โรงแรมนี้ยังไม่เต็มตอนที่ผมติดต่อจองห้องพักแต่ก็คงไม่แปลกที่ไม่เต็มถ้าเรื่องที่เขาเล่าๆต่อกันมาเป็นเรื่องจริงเอาหนะ้าพักแค่คืนเดียวพรุ่งนี้ก็กลับแล้วผมให้กำลังใจตัวเองหลังรับกุญแจห้องพักที่เคาน์เตอร์มองที่พวงกุญแจเห็นเลขห้องสสน้องมีห้องอื่นอีกหรือเปล่าหรือห้องนี้ห้องเดียวแล้วค่ะ แขกก็พักเต็มหมดแล้วค่ะผมไม่พูดอะไรต่อเดินขึ้นห้องพักทันทียังไงคืนนี้ก็มีเพื่อนพักกันเต็มโรงแรมหรอวะผมนึกปลอบใจตัวเองระหว่างเดินเข้าลิฟต์ขึ้นห้องพักพวกเพื่อนๆที่บริษัทไม่น่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่นี่ให้เราฟังเลยไม่รู้เรื่องที่พูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าหลอกให้เรากลัวเรื่องที่พูดนะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ตอนนี้กลัวตอนที่เขาตั้งเป้าหมายไว้แล้วละ่ะทั้งที่ปกติผมก็ไม่ใช่คนกลัวอะไรมากมาย ลิฟต์เปิดที่ชั้น3เดินไปทางซ้ายของตัวตึกห้องพักของผมอยู่ริมสุดทางเดินติดบันไดหนีไฟทั้งชั้นเงียบกริบเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มีเพียงเสียงเท้าที่ก้าวเดินของผมและเสียงของกุญแจห้องพักที่แกว่งกระทบกับกระเป๋าโน้ตบุ๊กตามจังหวะของการเดินเท่านั้นเ <refle ks> มื่อถึงหน้าห้องก่อนไขกุญแจเข้าไปผมมองสำรวจบริเวณประตูโดยรอบไม่มีผ้ายันไม่มีสายสิน ไม่มีรอยเจมิมใดๆทั้งสิ้นสบายใจไปเปราะนึงแล้วผมไขกุญแจเข้าห้องพักทุกอย่างในห้องก็เหมือนห้องพักของโรงแรมทั่วๆไปไม่มีอะไรผิดปกติภายในห้องถูกทำความสะอาดไวอ้อย่างดีเพื่อรอต้อนรับผู้เข้าพักผมถอดรองเท้าไว้หน้าตู้เสื้อผ้าวางกระเป๋าเดินไปเปิดทีวีแล้วนั่งที่ปลายเตียงเมื่อสั ญ, ญญาณภาพของทีวีติดขึ้นผมก็เอนหลังนอนแผ่บนเตียง โดยที่ขาทั้งสองข้างยังห้อยอยู่ที่ปลายเตียงดูทีวีไปไม่ถึง5นาทีก็เริ่มได้กลิ่นแปลกแปกเป็นกลิ่นเหม็นเหมือนซากหนูตายฉุนฉุนสาดสารปนอับทึบเหมือนตายมานานจากกลิ่นที่ลอยมาจางๆในช่วงแรกเป็นแรงขึ้นแรงขึ้นจนผมทนไม่ไหวลุกขึ้นจากเตียงเปิดดูในตู้เสื้อผ้าในห้องน้ําใต้เตียงหลังโต๊ะวางทีวีไม่เจอต้นเหตุของกลิ่นกลิ่นนั้นยังไม่ทันหายไป และก่อนที่ผมจะตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเรื่องที่มีคนเล่าให้ฟังก่อนเดินทางมาที่นี่ก็ผุดขึ้นมาในหัวทันทีเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นของบริษัทเดินทางไปพักที่โรงแรมแห่งนี้แล้วต้องถูกปลุกให้ตื่นมากลางดึกด้วยกลิ่นเหม็นของอะไรบางอย่างจนนอนไม่ได้หาสาเหตุของกลิ่นเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเมื่อเรียกเจ้าหน้าที่ของโรงแรมขึ้นมาดูก็ปรากฏว่ากลิ่นเหม็นที่รุนแรงนั้นหายไป เมื่อนอนต่อได้สัพักก็ได้กลิ่นขึ้นมาอีกให้เจ้าหน้าที่โรงแรมมาดูก็ไม่มีกลิ่นอีกเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเขาจึงตัดสินใจย้า ย, ายห้องในวันถัดมาพวกเขาที่เล่าเหตุการณ์ที่เจอมาให้พนัก ง, งานในพื้นที่ฟังจิงพอจะได้คำตอบที่เล่าต่อๆกันมาอีกทีนึงว่าที่โรงแรมแห่ง น, นี้เคยมีคนที่มาพักเป็นผู้หญิงถูกฆ่าหันศพก่าตำรวจจะสืบเรื่องราวจนรู้ว่าใช้ห้องในโรงแรมเป็นโรงเชื่อชั่วคราว และเจอชิ้นส่วนของศพที่ถูกทิ้งไว้กระจายตามจุดต่างๆของเมืองเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานของคนร้ายทั้งถังขยะในป่าหรือคลองชนละประธานเวลาก็ผ่านไปร่วมสิบวันแล้วคนร้ายที่ตำรวจจับได้ก็ให้การไม่รู้เรื่องเหมือนคนเสียสติหวาดกลัวบางสิ่งอย่างรุนแรงที่สำคัญคือชิ้นส่วนของศพที่ถูกชำระนั้นตารวจตามเจอทั้งหมดยกเว้นหัวที่ทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอแม้จะปิดคดีไปแล้วก็ตาม ใครไปพักที่นี่ก็จะเจอกลิ่นแปลกโดยหาสาเหตุไม่เจออยู่บ่อยครั้งบางรายก็เจอหนักกว่านั้นเขาเล่าเากันมานะผมก็ฟังเข้ามาอีกทีไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็น่ากลัวมากนะพี่น้องที่บริษัทเล่าให้ผมฟังก่อนเดินทางรู้เปล่าว่าห้องไหนจะได้ไม่พักผมถามเพื่อหาข้อมูลเผื่อไว้เคยได้ยินเหมือนกันนะแต่ผมจำไม่ได้แต่ที่รู้ๆมันอยู่ชั้นสาม ผมยังยืนเงือผุดอยู่ในห้องนึกเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เคยฟังกับสถานการณ์ตอนนี้แล้วคนลุกขึ้นมาอย่างประหลาดผมกำลังจะโทรไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมพรันกลิ่นนั้นก็หายไปสิ้นมันชักจะเข้าเขาอย่างไรพิกผมตัดสินใจยังไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงแรมตอนนั้นเป็นเวลาเกือบเกือบสี่โมงครึ่งท้องเริ่มหิวลงไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าถ้าขึ้นมาจะได้กลิ่นอีกค่อยแจ้งโรงแรมผ่านไปประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมง หลังจากได้อาหารมื้อเย็นช่วยขจัดความหิวและของใช้เล็กๆน้อยๆในร้านสะดวกซื้อตรงข้ามโรงแรมที่บรรยากาศคึกคักในช่วงเย็นผมกลับเข้ามาที่โรงแรมอีกครั้งระหว่างทางเดินที่เงียบวังเวงที่ชั้น3เหมือนเป็นทางเดินที่เชื่อมต่อไปยังโลกอื่นอันมืดมิดระยะทางจากลิฟต์ถึงห้องพักสิ้งทางเดินไม่น่าจะเกิน30เมตรแต่ไม่มีความรู้สึกว่าไกลเหลือเกินผมเดินไปคนเดียวเงียบๆเงียบจนผิดปกติทันใดนั้น มีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งแซงผมไปด้วยความรวดเร็วท่าทางตื่นตกใจเหมือนวิ่งหนีอะไรบางอย่างจนเฉียดไหลของผมไปแบบผักถาบแล้วไี้เปิดประตูบันไดหนีไฟที่ติดกับห้องพักลงไปทันทีผมยั ง, งยืนนิ่งอยู่กับที่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวหรือตื่นตกใจหากจะเป็นความสงสัยในเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นไปได้เหรอที่ผมจะไม่ได้ยินเสียงคนวิ่งมาด้านหลังทั้งที่บริเวณหน้าห้องพักเงียบขนาดนี้ผมไม่ได้ยินอะไรเลย เขาวิ่งหนีอะไรทั้งๆที่เมื่อผมหันไปมองข้างหลังซึ่งเป็นทางที่เขาวิ่งมามันไม่มีอะไรเลยทุกอย่างยังเงียบนิ่งถ้าวิ่งออกมาจากห้องก็ต้องได้ยินเสียงเปิดประตูหรือว่าเขาพิ่งจะโผลมาวิ่งที่ข้างหลังผมนี่เองขนแขนเริ่มลุกชั น, น, นหน้าห้องสาหงสเสียงของน้องผู้หญิงที่ทำงานกับเรื่องที่เธอเล่าให้ฟังก่อนมาที่นี่ก็ดังกลับเข้ามาในมโ น, โนสานึกเธอเล่าว่า ที่โรงแรมแห่งนี้เคยมีเหตุยิงกันตายเขาเล่ากันว่าแต่ก่อนชั้นล่างของโรงแรมมีผับใหญ่แล้วเกิดเหตุคนที่มาเที่ยวทะเลาะวิวาสจนถึงขั้นยิงกันตายเลยนะพี่ผมนั่งฟังด้วยท่าทีที่เรียบเฉยโดยไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในบ้านเราแล้วเธอก็เล่าต่อด้วยสีหน้าตื่นเต้นว่าและที่สําคัญมันไม่ได้ตายในผับมันไล่ยิงกันจนมาตายหน้าห้องพักของโรงแรมไอคนที่โดนไล่มันวิ่งหนีขึ้นมาถึงชั้น3 ส, สุดท้ายหนีไม่ทัน ถุงยิงตายตรงประตูทางหนีไฟผมนั่งฟังนิ่งๆแล้วนึกภาพตามแล้วคนที่ไปพักที่นั่นก็มักจะเจอเรื่อง แ, บบแปลกๆนะพี่ได้ยินเสียงคนร้องของความช่วยเหลือแต่พอเปิดประตูไปดูกลับไม่เจอใครคนเขาเล่าลือกันว่าน่าจะเป็นวิญญาณของคนที่ถูกยิงตายมาขอความช่วยเหลือเพราะอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตายไปแล้วก็ได้อุ๊ยนึกแล้วขนลุกเป็นหนูนะไม่พักที่นี่เด็กขาดตอนที่ผมฟังเรื่องนี้บอกตามตรงผมไม่รู้สึกอะไรเลย แต่ตอนนี้ไม่ใช่ด้วยความที่ตอนนี้ยังไม่ค่ามากนะักและความสงสัยในสิ่งที่เกิดขึ้นมันมากกว่าความกลัวผมตัดสินใจเดินไปเปิดประตูทางหนีไฟที่ไม่ห่างจากประตูห้องพักมากนะักแต่มันเปิดไม่ออกเหมือนประตูถูกล็อกจากภายนอกอย่างแน่นหนาทั้งดึงทั้งดันก็ไม่มีทีท่าว่าจะขยับความงุนงงสงสัยเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับความกลัวหรือว่าเรื่องที่เขาเล่ากันมาจะเป็นเรื่องจริง ผมรีบละจากประตูทางหนีไฟแล้วรีบไขกุญแจเข้าห้องพักทันทีนี่ขนาดยังไม่ทันข้ามคืนผมเจอเรื่องแปลกๆถึงสองเรื่องจะเปลี่ยนห้องก็ไม่มีห้องว่างจะย้ายโรงแรมก็เต็มหมดหลวงพ่อที่แกะจากไม้พยังนิ้วดำที่คล้องคอถูกอาราธนาขึ้นมาพนมไว้ด้วยสองมือที่สั่นเพราะความกลัวพุทธังอาราธนานำธรรมังอาราธนานำสังฆังอาราธนานำขอให้คืนนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถอะสาธุ ในห้องไม่มีกลิ่นเหม็นอีกแล้วอาจเป็นไปได้ว่ามันเป็นกลิ่นที่ลอยมาจากภายนอกแล้วคงจะมีใครจัด ก, การไปแล้วหรือแขกที่เข้าพักคนอื่นก็ได้กลิ่นเหมือนกันแล้วคงแจ้งให้ทางโรงแรมจัด ก, การไปแล้วก็เป็นได้ช่างมันเถอะเดินทางมาก็เหนื่อยพออยู่แล้วเอาเวลาไปพักผ่อนดีกว่าคิดมากปวดหัวปรเปล่าผมนอนดูรายการช่วงเย็นอยู่สักพักหลังจากนั้นอาบน้ําแล้วนั่งทํางานทบทวนเนื้อหาที่ต้องใช้สอนพรุ่งนี้อีกนิดหน่อยก็เตรียมตัวเข้านอ น, อน ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มเศษๆซึ่งความจริงแล้วผมก็ยังไม่ง่วงนะักจึงนอนดูทีวีไปเพลินๆกะว่าง่วงเมื่อไหร่ก็ปิดไฟนอนตลอดระยะเวลา3ามชั่วโมงกว่าๆที่ผ่านมาไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นอีกเลยอาจเป็นเพราะอํานาจพุทธคุณหรืออาจจะไม่มีอะไรจริงๆก็ได้จนผมจะลืมๆไปแล้วด้วยซ้ําบอกเลย ว, ว่าเป็นคนไม่กลัวอะไรมากแค่เกรงๆผมยังไม่ง่วงระหว่างนอนดูทีวีอยู่นั้น โคมไฟที่ห้อยอยู่ตรงปลายเตียงใกล้กับหน้าทีวีซึ่งแขวนด้วยลวดเส้นใหญ่ติดกับเพดานห้องห้อยยาวละมาหนึ่งฟุตเห็นจะได้เริ่มแกว่งช้าๆช้าๆช้าๆจนผมสังเกตได้เหมือนมีควนเอามือไปเขียนเล่นก็ไม่ปานเอาอีกแล้วหลอกให้กูกลัวอีกแล้วผมลึกในใจแต่คราวนี้ไม่สำเร็จผมไม่กลัวผมลุกขึ้นเดินไปที่สวิตควบคุมเครื่องปรับอากาศในห้องที่ติดอยู่ที่ผนังหน้าห้องน้า และปรับความแรงของพัดลมแอร์ลงมาเหลือต่ำสุดเสียงการทํางานของพัดลมแอร์เบาลงทันทีตามการสั่งงานหากติดโคมไฟเจ้าปัญหามันยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแกวง่งร้ายกว่านั้นมันเหมือนจะแกว่งแรงขึ้นซะด้วยซ้ําไปความกลัวเข้ามาเกอบกลุ่มในใจอีกครั้งผมรู้สึกร้อนๆ้หนาวหนาอย่างไรพิกลครั้งเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังก่อนเดินทางก็เด่นชัดเข้ามาในความคิดมันเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ย hey กูมีอีกเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังได้ยินคนอื่นเคขาล่ำลือเหมือนกันมันเล่าต่อจาก2เรื่องแรกด้วยภาษาที่เป็นกันเองของเพื่อนสนิทโรงแรมเนี้ยเคยมีคนผูกคอตายเว้ยแวบบแรกผมไม่นึกเชื่อเลยแม้แต่น้อยด้วยความที่สนิทกันและมักมีเรื่องมาอํากันบ่อยๆบวกกับมันคงอยากเพิ่มดีกรีความหลอนต่อจาก2เรื่องแรกก็คงจะกุบเรื่องเพิ่มขึ้นมาให้ครบรสเท่านั้นเองเขาว่าคันว่าเป็นผู้หญิงขายบริการแถวๆนั่นแหละแล้วน่าจะเครียดเพราะเป็นเอส วันนั้นแขกค ง, งเรียกขึ้นมาเป็นห้องหลังเสร็จงานก็คงจะลาโลกเลยฮระวังนะโวย้ยอย่าเรียกใครขึ้นมาสุม4สี 5, ่ซุมห้าหาว่ากูไม่เตือนเฮ้ยเยังไม่จบบางคนก็ว่าคนที่ตายนะ่ะตั้งใจมาตายที่นี่โดยเฉพาะตอนนั้นผมยังนึกยิ้มอยู่ในใจว่าเพื่อนคนนี้มันจะอําอะไรต่ออีกผู้หญิงตามมาหาแฟนที่น่านแล้วมารู้ว่าผู้ชายมีเมียอยู่แล้วทําใจไม่ได้ยังไม่ลืมความทรงจําที่ดีเลยตัดสินใจด้วยการผูกคอตายที่โรงแรมซะเลย มันเล่าพร้อมกับทาเสียงให้น่ากลัวแขกที่ไปพักหลายคนน่ะจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้บ้าง น, นักกว่านั้นนะเห็นเป็นตัวจัะจระเลยนะห่อยลงมาจากเพดานห้องเลยผมถามสวนกลับไปทันทีเพื่ออยากรู้ว่ามันจะคิดเรื่องทันหรือเปล่าแล้วผู้หญิงแขวนคอกับอะไรวะมันตอบมาทันทีเช่นกันโคมไฟกลางห้องตอนนี้ทั้งสองมือของผมชุ่มโชบไปด้วยเหงื่ อ, อทั้งที่อากาศในห้องเย็นชําทีวียังเปิดอยู่ แต่เหมือนผมจะไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นนอกจากเสียงเต้นถี่ทีของหัวใจเพราะความตื่นกลัวโคมไฟที่แกว่งไปมาอยู่ตอนนี้มันน่าจะเกิดจากแรงลมของพัดลมเครื่องปรับอากาศแต่ก็น่าแปลกที่มันเพิ่งจะมาแกว่งเอาตอนนี้เองถ้าเกิดจากแรงลมมันน่าจะแกว่งมานานแล้วตั้งแต่ตอนเปิดแอร์ใหม่ๆผมค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้โคมไฟอย่างช้าๆด้วยท่าทีกลัวๆ ก, ก, กล้าๆค่อยๆ ย, ยกมือที่สั่นและชื้นเหงื่อขึ้นช้าๆหวังจะจับให้มันนิ่งเหมือนเดิม และก่อนที่มือของผมจะเอื้อมถึงโคมไฟที่อยู่ไม่สูงเกินไปนักสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันทำให้ผมขนลุกชันเสียวสันหลังวาบขึ้นมาอีกครั้งโคมไฟหยุดแกว่งในทันทีเหมือนมีอีกมือที่มองไม่เห็นมาจาับพร้อมกันนั้นทีวีที่เปิดอยู่ก็ดับลงทันทีเช่นกันทั้งห้องเงียบกริบโคมไฟยังห้อยนิ่งมันนิ่งจนน่ากลัวแม้ในห้องจะเงียบสงบแต่ความรู้สึกของผมเหมือนตอนนี้ ผมจะไม่ได้อยู่ในห้องคนเดียวซะแล้วผมอาจจะกําลังอยู่ในที่ที่ไม่ควรมาอยู่ก็เป็นได้ไม่ทันที่ผมจะคิดอะไรต่อทีวีกลับมาติอีกครั้งทุกอย่างกลับมาอยู่ในห่วงแห่งความปกติเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมเว้นแต่ความรู้สึกตื่นกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นเท่านั้นที่ยังคงคุกรุ่นวนเวียนอยู่ในสมองอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดในเมื่อย้ายไปนอนที่อื่นไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องนอนที่นี่นหลหรวะ รีบนอนให้หลับจะได้เช้าไวๆผมตัดสินใจเข้านอนทันทีโดยเปิดไฟสว่างทั่วทั้งห้องและให้ทีวีทําหน้าที่ของมันต่อไปทั้งคืนโดยผมเลือกเปิดช่องที่มีรายการเพลงทิ้งไว้นอนพลิกตัวไปมาอยู่หลายรอบด้วยความไม่เคยชินกับการนอนเปิดไฟและมีเสียงของทีวีรบกวนและอีกใจก็ยังนึกกลัวอยู่ว่าจะเกิดอะไรแปลกๆขึ้นอีกหรือเปล่าเรื่องที่เจอวันนี้ทั้งกลิ่นที่เหม็นสาบสางโดยหาสาเหตุไม่เจอคนที่วิ่งมาจากไหนไม่รู้ แล้วลงบันไดหนีไฟทั้งๆที่ประตูเปิดไม่ได้กับโคมไฟกลางห้องที่แกว่งไปมาและหยุดเองยังวนเวียงอยู่ในหัวสลับกับเรื่องเล่าจากเพื่อนร่วมงานที่ประสงค์ดีเหลือเกินกับเราไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดสุดท้ายผมก็หลับมโนสานึกกลับคืนมาอีกครั้งในกลางดึกผมไม่รู้ว่าเป็นเวลาเท่าไรแล้วณนะตอนนี้สิ่งที่ทาให้ผมตื่นคือเสียงเคาะประตูรั ว, รว พร้อมกับลูกบิดประตูถูกบิดและเขย่าอย่างแรงระหนึ่งว่าผู้ที่อยู่ภายนอกห้องต้องการเข้ามาในนี้ให้ได้ก่อนนอนผมจําได้ว่าผมล็อกประตูลงกรอนและคล้องโซ่ไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นโจรคงไม่ทำเสียงดังหรือจะเป็นใครหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่เปิดประตูให้เข้าเด็ดขาดแต่ตอนนี้ในห้องมืดสนิทไฟถูกปิดทีวีไม่ได้เปิดไวเหมือนเดิมช่างมันสิ่งที่ควรรู้ตอนนี้มากกว่าคือ อะไรกำลังเกิดขึ้นที่หลังประตูห้องที่ยังดังไม่หยุดมากกว่าอาศัยแสงไฟจากหน้าห้องที่รอดมาจากขอบประตูด้านล่างและจุดตรงตามแมวผมเดินตรงไปมองที่ตามแมวทันทีภาพที่ผมเห็นคือชายคนหนึ่งอายุไม่น่าจะเกิน30ปีเคาะประตูด้วยท่าทีที่ร้อนรนและหวาดกลัวเหมือนต้องการจะเข้ามาในห้องให้ได้พร้อมกันนั้นลูกบิดยังถูกเขย่าด้วยความแรงอยู่เช่นนั้นช่วยด้วยชื่อผมด้วยครับเปิดประตูให้ผมหน่อยมีคนจะฆ่าผมช่วยด้วย ช่วเปิดประตูด้วยคำพูดสุดท้ายที่ตะกนกล้องผ่านประตูเข้ามามันเจียวปนไปด้วยเสียงแห่งความสิ้นหวังสายตาของผมยังมองลอดอยู่ที่ตาแมวแสงไฟที่สลัวรางที่อยู่หน้าห้องแม้จะไม่สว่างมากนะักแต่ก็ยังเห็นภาพต่างๆได้อย่างชัดเจนทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปั้นเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดเพียงนัดเดียวแต่นั่นก็เพียงพอที่จะทําให้ร่างของชายที่ยืนอยู่ต่อหน้าผม เพียงประตูกั้นล้มลงทันทีเลือดจากสมองที่โดนแรงอัดของกระสุนปืนสาดกระเด็นมาที่ช่องตาแมวผมหลับตาพผงะถอยหลังตามสัญชาตญาณหัวใจเต้นถี่ด้วยความตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเลือดในกายถูกฉีดไปทั่วร่างจนผมรู้สึกร้อนเหงื่อชุ่มไปทั้งตัวความง่วงง่วงเงียงหายไปสิ้นด้วยความอยากรู้ว่าสถานการณ์ที่หน้าห้องจะเป็นเช่นไรผมค่อยๆแนบหน้าไปที่ประตูอย่างช้าๆและแผ่วเบา เพื่อไม่ต้องการให้ใครก็ตามที่อยู่ข้างนอกห้องนั้นรู้ว่ามีคนอยู่ในห้องดวงตาค่อยๆประกบไปที่ตามแมวอีกครั้งทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันใดนั้นร่างของชายที่ถูกยิงล้มลงไปเมื่อสักครู่ทะลึงลุกขึ้นมาอยู่ตรงหน้าหน้าตาชุ่มโชบไปด้วยเลือดสีแดงสดไหลทลักออกมาจากทางรูทางเข้าของกระสุนปืนอย่างน่ากลัว ตาข้างซ้ายโปนจากแรงอัดของกระสุนปืนจึงเกือบจะหลุดออกมาจากเบา้าเส้นเลือดในตาแตกจนทำให้เห็นเป็นสีดำสนิททั้งลูกตาณ่ะตอนนี้ผมขยับตัวไม่ได้เหมือนเรียวแดงจะหายไปสิน้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าบัดนี้มันยกมือขึ้นชี้ตรงมาที่ประตูห้องพร้อมตะโกนกล้องด้วยความเครียดกราไม่ช่วยกูก็เหมือนคนอื่น ไม่มีใครช่วยกูเลยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นอาฆาตสิ้นหวังว่นความเศร้าพร้อมกันร่างนั้นค่อยค่อยขยับใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยหน้าชิดประตูจนประตูห้องสะเทือนจนผมรู้สึกได้ดวงตาที่เบิกโพรงชิดที่ช่องตาแมวด้านนอกห้องตาประกบตาร่างของผมเหมือนถูกตรึงอยู่ที่ประตูจนขยับไม่ได้กูต้องตาย เพราะไม่มีใครช่วยกูร่างนั้นเหมือนจะแทรกประตูเข้ามาให้ได้อาการตอนนี้เหมือนผมหายใจไม่ออกมันอึดอัดไปหมดผมพยายามสูดหายใจเข้าเต็มปอดออกแรงผลักตัวเองออกมาจากประตูมันได้ผลทันทีที่ผมถอยหลังมาจากแรงผลักด้วยการทรงตัวที่ไม่ดีนักบวกกับความมืดทำให้ขาไปสะดุดกับบางอย่างที่อยู่ข้างหลังล้มลงทันทีในลักษณะก้นกระแทกพื้นสิ่งที่ทาให้ล้มยังอยู่ที่ปลายเท้า ความรู้สึกตอนนั้นเหมือนมีอะไรบางอย่างพันอยู่ที่ขาข้างหนึ่งประตูยังถูกเขย่าทุบอยู่โครมโครมพร้อมกระเสียงสะบดดาด้วยความแค้นจากคนที่เคยตายผมรีบลุกขึ้นยืนควานมืออย่างสเปะดสปะและรนได้ด้วยความกลัวหาสวิตช์ไฟที่อยู่หน้าห้องน้ำซึ่งหาเจอโดยไม่ยากเย็นความมืดมิดในห้องถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างหาแต่ความสว่างนั้นไม่ได้ทำให้ความกลัวลดลงแต่มันกลับเพิ่มขึ้นเพราะทำให้เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า หัวนัน่นหัวคนชัดๆหนังซีดสีขาวคราติด ก, กระดูบปากอ้าค้างกว้างสีดําสนิทจนมองไม่เห็นฟันที่อยู่ข้างในตาเบิกโรงสีแดงสดที่สําคัญมันจ้องมาที่ตัวผมเส้นผมยาวสีดําสนิทพันอยู่ที่ขาข้างหนึ่งของผมเหมือนตั้งใจผมร้องลันห้องยกขาสลัดด้วยความกลัวสุดขีดมันกลิ้งไปมาแต่ไม่หลุดขาอีกข้างที่ว่างอยู่ทํางานอย่างอัตโนมัติด้วยความกลัว รีบเตะกระเด็นออกไปทันทีหัวนั้นกิ้งเป็นนิ่งอยู่ที่ปลายเตียงนอนในลักษณะตะแคงข้างหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งผมยังมองตามไปด้วยความหวาดกลัวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือม่จะเป็นเพียงฝันร้ายเท่านั้นผมต้องตื่นเตื่นให้เร็วที่สุดในตอนนี้ก่อนที่ผมจะช็อคไปมากกว่านี้หากแต่มันเป็นเรื่องจริงผมยังยืนตัวแข็งทาอะไรไม่ถูกเงือชุ่มไปทั้งตัว แต่ความรู้สึกในตอนนี้มันสุดจะหนาวไปถึงขั้วหัวใจข้างหลังคือประตูห้องที่เสียงดังอยู่โครมโครมจากคนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ถูกยิงหัวจนเลือดกระจายข้างหน้าคือชิ้นส่วนศพที่เหลือแต่หัวหัวที่พลิกตะแคงอยู่นั้นค่อยๆพลิกกลับมาอย่างช้าๆช้าๆดวงตานิ่งจ้องมาที่ผมแต่ที่สยองที่สุดคือปากที่เคยอ้าค้างในตอนแรก กลบกลายเป็นเสแยะยิ้มเยาะเย้ยอย่างสะใจพร้อมกับส่งเสียงอันแหบแห้งแต่ได้ยินชัดเจนเข้าไปถึงก้นบึ้งแห่งความกลัวเอาหัวกูออกไปด้วยกูอยู่ใต้เตียงมานานแล้วกูอึดอัดเอาหัวกูออกไปด้วยประโยคหลังมันแผ่เสียงคำรามลั่นห้องสูงจาหัวนั้นขึ้นไปไม่ถึงเมตรร่างของใครคนหนึ่งกาลังแกว่งไปมาอย่างช้า ผมค่อยๆเงยหน้ามองไล่จากปลายเท้าที่คล้ำซีดไปถึงเพดานร่างนั้นถูกแขวนคอไว้กับโคมไฟกลางห้องที่มันเคยแกว่งอย่างไม่รู้สาเหตุในตอนค่ำผู้หญิงในชุดสีดำผิวคล้ำซีดทั้งกายมือและเท้าเหยียดเกรงแข็งแลบลิ้นออกมาจุกปากจนถึงปลายคางตาเบลอโพรงก้มหน้านิ่งมีเพียงเสียงสะอื้นให้เท่านั้นที่ดังมาจากร่างมันยังแกวงอยู่ช้าๆมันยังไม่เพียงพออยู่หลือกับสิ่งที่เจออยู่ตรงหน้า แค่นี้ผมก็แทบจะสิ้นสติแล้วทั้งคนที่เคยตายอยู่หน้าห้องหัวที่ขาดและพูดได้กับร่างของหญิงที่ผูกคอตายกับโคมไฟที่กลางห้องตอนนี้ผมทนอยู่ในนี้ไม่ได้แน่นอนไม่ว่ารจะอยู่ที่หน้าห้องก็แล้วแต่ผมตัดสินใจดึงกรอนและสายอยู่ด้วยมือที่สั่นอย่างแรงพยายามดึงสติสุดท้ายให้อยู่กับตัวเปิดประตูห้องได้ดวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมกับปากที่ตะโกนร้องร่างเพราะความกลัวในใจยังคิดต่อว่าเพื่อนที่เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังก่อนออกเดินทาง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 เรื่องเล่าไม่ควรเล่าห้องพิเศษได้เลยครับผมน้องพยาบาลคะน้องน้องผู้หญิงวัยกลางคนร้องเรียกเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่ที่หน้าเนอร์สเตชันท่าทางของเธอที่ก้มตัวลงมาที่ช่องกระจกหน้าเคาน์เตอร์เพื่อคุยกับนางพยาบาลนั้นดูเป็นกังวลใจไม่น้อยมีอะไรหรือเปล่าคะพยาบาลสาวที่กำลังก้มหน้าก้มตาจดเนอโนอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ถามกลับไปโดยไม่ได้เงยหน้ามองต้นเสียง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 เดี๋ยวหนูขอดูข้อมูลก่อนนะคะเอ๊ว่าแต่พ่อของพี่อยู่เตียงไหนนะคะพยาบาลถามข้อมูลเพื่อความรวดเร็วหญิงวัยกลางคนหันไปมองที่หน้าห้องนั้นซึ่งอยู่ท้ายสุดของอาคารผู้ป่วยชายพร้อมกับตอบอย่างไม่เต็มเสียงนักพิเศษสีพยาบาลสาวหันกลับไปมองหน้าด้วยท่าทีตกใจอีกแล้วเหรอเธอพูดเหมือนบ่นกับตัวเองซึ้นเสียงของผู้พูดเสียงโทรศัพท์ประจำวอดชายก็ดังขึ้นสวัสดีข้าวาชายค่ะ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 พี่ฝนจะตรวจจากด้านในตึกไล่ออกไปข้างนอกโดยมีหมอป๊อบไปด้วยซึ่งดูจากอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้ววันนี้คงเป็นการทํางานที่มีความสุขมากของพี่ฝนเลยทีเดียวส่วนผมจะตรวจจากบริเวณรอบๆตึกอํานวยการและไล่เข้ามาเรื่อยๆโดยมีหัวหน้ากี้และพี่สจีหัวหน้าพยาบาลทั้งหมดของที่นี่ไปด้วยเนื่องจากมีพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่มาก13นาฬก15นาทีเราเริ่มตรวจผมตรวจมาเรื่อยๆตั้งแต่เตาเผาขยะ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 โดยระหว่างห้องสองกับห้องสาจะเป็นระเบียงกว้างอยู่ตรงหน้า n น r เตอร์ชั่นพอดีซึ่งมีญาติคนไข้นั่งน่งนอ น, น, อนๆอยู่ตรงระเบียง 3-4 มี่คนส่วนห้องสี่อยู่ท้ายสุดตรงข้ามกับห้องเก็บของซึ่งไม่มีใครอยู่ดูจากสภาพตึกแล้วยังใหม่อยู่มากน่าจะสร้างมาได้ไม่เกินหนึ่งปีซึ่งก็เป็นจริงดังคาดหัวหน้ากี่ให้ข้อมูลมาว่าเพิ่งสร้างได้6เดือนเพราะแต่ก่อนมีวอดเดียวแยกฝั่งชายหญิงรับคนไข้ไม่พอ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 ผมเอ่ยขึ้นเหมือนกับจะหาคำตอบให้ตัวเองว่าแต่ห้องนี้หรือเปล่าครับที่เตรียมไว้ให้พักผมถามต่อเพื่อเปลี่ยนประเด็นใช่คะ่ะพี่วันผู้ดูแลสถานที่ตอบมาทันทีโดยที่ไม่ได้ศบตาผมเหมือนจะปิดบางอะไรบางอย่างไว้คุณวิกรณ์จะตรวจห้องนี้เลยหรือเปล่าคะพี่วันถามตออ๋อไม่ต้องตรวจหรอกครับมีเวลาตรวจอีกทั้งคืนเดี๋ยวจะตรวจให้ละเอียดกว่าห้องอื่นเลยเดี๋ยวจะตรวจให้ละเอียดกว่าห้องอื่นเลยผมตอบออกไปแบบยิ้มๆเพื่อให้บรรยากาศดีขึ้น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 ลืมอะไรหรือเปล่าพี่เงียบผมเปิดประตูห้องน้ำชงโลกหน้าออกมาดูทั้งที่ฟองแชมพูสระผมยังขาวอยู่เต็มหัวด้วยกลัวว่าจะเป็นคนอื่นหรืียกคนไข้เข้ามาด้วยเจตนาไม่ดีต่อทรัพย์สินแต่ก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเราล็อกประตูห้องเรียบร้อยแล้วนี่นาเงียบไม่มีสิ่งใดผิดปกติผ้าเช็ดตัวที่เราแขวนในห้องถูกกระชากมานุ่งไว้ที่เอวทันที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 มันทำให้ผมรู้สึกกลัวขึ้นมาเสแล้วพระที่แกะจากไม้พยางนิ้วดำที่ครองคอผมตลอดในการเดินทางทุกครั้งที่ออกต่างจังหวัดถูกอาราธนาขึ้นมาอยู่ระหว่างสองมือที่พนมอยู่ที่หน้าอกยังไม่ทันที่จะอธิษฐานอะไรผมก็ได้ยินเสียงเหมือนโลหะเสียดสีกันดังอยู่ข้างหลังเอียดเอียดผมหยุดฟังเอียดเอียด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 ยังไม่ได้ห่างหายไปจากความรู้สึกผมนอนไม่หลับมีอาการหนาวหนาวร้อนร้อนเหมือนจะเป็นไข้กว่าจะคมตาหลับลงได้ก็เกือบฟ้าสามวันถัดมาผมแทบทา ง, งานไม่ได้เพราะพักผ่อนน้อยและรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนอธิบายอะไรให้ผมฟังเหมือนทุกคนจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นหมดแล้วแต่คงไม่อยากให้ผมหวาดกลัวไปมากกว่านี้หลังตรวจงานเสร็จและทานข้าวเที่ยงซึ่งผมกินอะไรได้ไม่มาก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 พออแกมีคนหัวสมัยใหม่ด้วยไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกครับแค่ทําพิธีขอขอมากันนิดหน่อยพอให้ผ่านๆไปเท่านั้นผมขนลุกขึ้นมาทันทีเมื่อภาพเมื่อคืนปรากฏขึ้นในมโนอีกครั้งพี่ฝนถามเหมือนอยากจะรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ผมไม่ได้ตอบอะไรยังคงฟังคนขับเล่าต่อไปเหมือนเป็นเรื่องปกติของเขาคนไข้โดนกันประจํามเลยครับขนาดผมคนไม่กลัวนะเคยไปนอนพักตอนเขาเวันดึกๆยังโดนกวนจนนอนไม่หลับ เหมือนมีคนเป็นสิบสิบคนมาเดินอยู่ในห้องอย่างนั้นแหละผมกรืนน้ำลายลงคอที่แห้งผากถามไปด้วยเสียงที่สันส่นๆแล้วไ ม, ไม่มีใครคิดจะทำอะไรบ้างเหรอก็มีคุณวันหัวหน้าวอดนั่นแหละครับที่เคยนิมนต์พระมาทำบุญแต่ก็ไม่ดีขึ้นเหี้ยนจริงๆคำสุดท้ายเหมือนจะบ่นกับตัวเองมากกว่าพรางพูดต่อแต่คราวนี้คนขับหันมามองหน้าผมแล้วต่อตะเคียนที่โดนตัดมันก็อยู่ใต้ห้องสี่ที่คุณนอนเมื่อคืนนี้แหละ เมื่อคืนนี้ก็เจออะไรวิกร์พี่ฝนถามมาด้วยความอยากรู้ระคนกับผ้าทางหวาดกลัวไม่รู้แต่ที่แน่ๆกาหนดการตรวจครั้งหน้าพี่ฝนมานะผมขอคิวกับพ อ, อแล้วว่าจะไปตรวจที่อื่นเฮ้ยยังไงก็ต้องมาด้วยกันฉันไม่ยอมหรอกก่อนที่จะวุ่นวายไปมากกว่านี้คนขับก็พูดแทรกขึ้นมาพอผมส่งคุณวิกร์กับคุณฝนเสร็จผมก็ต้องรับเจ้าหน้าที่ใหม่มาอีกสามสี่คนเห็นหัวหน้ากี้บอกว่าบ้านพักยังไม่เรียบร้อยเลยต้องใส่คืนเนี้ย คนต้องใช้บริการกันอีกแล้วพองพิเศษสี่แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าไม่ควรเล่าอะไรที่ท่าบอกเช้าวันนี้เราตื่นมาพร้อมกับอากาศที่สดชื่นของต่างจังหวัดเมื่อคืนทีมทา ง, งานของเราพักกันที่โรงแรมไทลาวิวไซร์หนองคายติดเป็นแม่น้ำโขงบรรยากาศในยามเช้าของต่างจังหวัดมันช่างสดชื่นจริง โดยเฉพาะจังหวัดหนองคายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับที่7ของโลกทําให้ผมรู้สึกดีทุกครั้งที่มาหนองคายเมื่อวานเราออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่เช้ากว่าจะเดินทางมาถึงหนองคายก็พรบคำ่ำฝากท้องกันที่ร้านประจําแดงแหนมเนืองแต่เช้านี้พวกเราต้องเสี่ยงดวงหาด้านอาหารเช้าทานกันเพราะไม่มีร้านประจําสุดท้ายจะจบที่ร้านโจ๊กแม่ทิพย์เยื่องวัดหมายโศกในตัวเมืองบรรยากาศไม่วุ่นวายบ้านๆรสชาติอาหารใช้ได้ทีเดียว หวังว่าวันนี้คงเป็นวันที่ดีในการทํางานอีกวันหนึ่งทีมงานของเราต้องไปทํางานที่อํเาเภอศรีเชียงใหม่ตอนบ่ายโมงตรงแต่อย่างน้อยต้องไปถึงก่อนงานประมาณ11นาิ30นทเพื่อเตรียมงานก่อนพี่เอคนขับรถเจ้าประจําของเรากับพี่ดาวิทยากรประจําบริษัทที่ออกเดินทางทุกครั้งที่มีงานต่างจังหวัดสอบถามกับคนขับสรม้อในพื้นที่ถึงเส้นทางและระยะทางในการเดินทางไปอํเาเภอศรีเชียงใหม่ได้ความว่า ระยะทางจากเมืองหนองคายถึงสีเชียงใหม่ประมาณ50กิโลผมก็มดูนาฬิกาที่ข้อมือและพูดกับพี่แชมป์ผู้จัดการที่เดินทางมาด้วยออกเดินทางสิบโมงช้าก็น่าจะทันนะพี่งั้นเราไปเดินตลาดท่าเสด็จกันก่อนสักชั่วโมงพี่แชมป์สรุปสุดท้ายพวกเราใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ตลาดท่าเสด็จทุกคนต่างได้ของฝากที่ยวกลับมากละถุงสองถุงยกเว้นผมคนเดียวที่ไม่ได้ของที่ตั้งใจซื้อนั่นก็คือไหลบัวเชื่อม หลังจากนั้นเราออกเดินทางจากตัวเมืองเพื่อไปจัดงานประชุมที่อำเภอสีเชียงใหม่เส้นทางที่เราใช้เดินทางนั้นลอะเลียมแม่น้ำโขงไปตลอดมองเห็นวิวของฝั่งเราเป็นระยะอากาศไม่ร้อนเกินไปนักบางช่วงมีฝนตกบ้างเล็กน้อยบรรยากาศในการเดินทางสบายๆไม่มีใครซีเรียสนักและก่อนถึงอำเภอสีเชียงใหม่ประมาณ10กิโเมตรเราต้องผ่านอำเภอท่าบอ่อเมื่อถึงทางแยกในตัวอำเภอท่าบอ่อเพื่อที่จะไปอำเภอสีเชียงใหม่ ผมชียให้คนขับดูเส้นทางอีกเส้นหนึ่งซึ่งจะไปชนกับถนนมิตรภาพเส้นหลักเดี๋ยวขากลับแล้ออกทางนี้เลยนะพี่ไม่ต้องย้อนเข้าตัวหนองคายเนื่องจากว่าเสร็จงานแล้วคืนนี้เราต้องกลับไปนอนที่ขอนแก่นเพราะพรุนี้มีงานประชุมตั้งแต่เช้าที่นั่นพี่เคนขับรถประจําทีมผงกหัวแทนคําตอบพร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าสู่อาเภอสีเชียงใหม่ซึ่งมองเห็นป้ายบอกทางอีก14กิโลเท่านั้นเหลือเวลาอีก20นาทีก็จะเที่ยงตรง ทีมงานของเราก็เดินทางถึงสถานที่จัดประชุมนั่นคือรีสอร์ทพรหมลิธิ์สวรรค์บรรดาลปาร์ตชื่อรีสอร์ทนี่คือมาเลิศหรือว่าลำการแท้เลยจริงๆแล้วผู้ที่เดินทางมาเข้าประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวท่าบอ่อแต่ที่ท่าบ่อไม่มีโรงแรมที่มีห้องจัดประชุมได้จึงต้องมาจัดที่สีเชียงใหม่ซึ่งการที่จะหาโรงแรมที่มีความพร้อมในการจัดประชุมในอำเภอเล็กๆไม่ใช่เรื่องงนะ่ายนักแต่รีสอร์ทที่นี่ความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการจัดประชุมถือว่าดีทีเดียว งานในช่วงบ่ายของวันนี้ผ่านไปด้วยดีมีคนมาร่วม ง, งานมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และผู้มาร่วม ง, งานประชุมให้ความสนใจดีทีเดียวถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งตามที่ผมหวังเอาไว้กว่าจะเก็บของเสร็จก็เกือบจะห้าโมงเย็นพวกเราเตรียมตัวจะออกเดินทางเพื่อไปพักที่จังหวัดขอนแก่นแต่ลูกค้าที่จัดงานขยันขยอให้ไปทานข้าวเย็นด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณที่ทางบริษัทมาช่วยงานจจริงพวกเราอยากจะรีบกลับซะมากกว่าเพราะต้องเดินทางอีกประมาณ150กิโลกว่าจะถึงขอนแก่น แต่เนื่องจากขอติด ม, มาหลายครั้งแล้วเพราะเกรงใจและครั้งนี้ก็มีลูกค้าหลายคนรออยู่จึงยอมตกลงอย่างเสียไม่ได้รถของลูกค้า3าสี่คันทยอยแล่นออกจากสถานที่จัดประชุมเพื่อไปที่ร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนักโดยที่มีรถของพวกผมจะขับตามไปเป็นคันสุดท้ายก่อนก้าวขึ้นรถผมมองเข้าไปบนท้องฟ้าด้วยใจที่เป็นกังวลในเรื่องของการเดินทางแสงแดดที่เคยทาบทอท้องฟ้าเมื่อตอนบ่ายหายไปหมดสิน้นแม้จะเพิ่งผ่านห้าโมงเย็นมาไม่กี่นาที ที่ขอบของท้องฟ้าบัดนี้ปราศจากแสงของพระอาทิตย์เสร็จแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือเมฆฝนที่ดำทมึนจนทําให้ฟ้าในยามนี้มืดครึ้มไปหมดไม่ต้องถึงมือพยากรณ์อากาศผมก็ทํานายได้ว่าอีกไม่นานฝนคนจะตกลงมาอย่างหนักแน่นอนไม่เกินห้านาทีหลังจากที่ออกมาจากรีสอร์ทเราก็มาถึงร้านอาหารซึ่งเป็นร้านเล็กๆตกแต่งร้านอย่างสวยงามได้บรรยากาศร้านอาหารอีสาน รายการอาหารเรายกให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของพื้นที่แน่นอนว่ามาถึงที่อีสานถ้าไม่มีส้ตมตําในเมนูถือว่าไม่ให้เกียรติกันระหว่างที่รออาหารมาเสิร์ฟฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมาและหนักขึ้นเรื่อยเื่อยลูกค้าคนนึงเอ่ยถามโดยไม่ได้เจาะจงเหมือนจะชวนคุยว่าคืนนี้ไปพักกันที่ไหนคะที่ขอนแก่นครับเพราะว่าพรุ่งนี้พวกผมมีงานกันต่อพี่แชมป์ตอบหลังจากจิบน้ำโค้งในแก้วพี่จะไปร่วมงานประชุมที่ขอนแก่นด้วยไหมครับ พี่ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้าพู้ร่วมคณะเดินทางมาด้วยสอบถามพี่ก็อยากไปนะแต่พรุ่ง น, นี้พี่ติดธุระที่หนองคายคงไม่ได้ไปเสียดายจริงๆเธอบ่นด้วยความเสียดายพร้อมกับมือที่กําลังใช้กระดาษที่ชู่เช็ดจานพลาสติกที่อยู่ตรงหน้าว่าแต่วันนี้จะกลับเข้าหนองคายพร้อมกันไหมละ่ะเธอเอ่ยถามผมคงแยกออกที่ท่าบ่อเลยครับไม่ย้อนเข้าหนองคายน่าจะใกล้กว่าหลายกิโลครับผมบอกเส้นทางที่ทีมงานจะใช้เดินทางกลับเพราะผมพิมพ์แผนที่มาจากก o เกิลแมปแล้วก่อนเดินทางมาที่นี่ อย่าไปเลยทางนั้นนะ่ขะขนาดพี่เป็นคนท่าบอ่อพี่ยังไม่ค่อยได้ใช้ทางนั้นเลยลูกค้าอีกคนที่นั่งอยู่ติดการเ อ, อ่ยขึ้นมาทําไมล่ะครับผมพูดพร้อมกับเอียงตัวให้เด็กเสิร์ฟวางจานส้มตามได้สะดวกทางนั้นมันเปรี่ยวถนนก็ไม่ค่อยดีคนท่าบ่อเขาไม่ค่อยใช้กันหรอกยอมขับรถอ้อมหน่อยดีกว่าถ้าทางที่ลูกค้าคนนี้พูดออกมามันไม่อยากให้เราใช้เส้นทางนี้จริงๆแต่ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เธอไม่อยากบอกหรือต้องการจะปิดบังอะไรบางอย่างไว้ยังไม่ทันพูดอะไรต่อ ลูกค้าที่เป็นเจ้าภาพก็ชวนทานอาหารพร้อมตรวจสอบถามถึงความพร้อมในการจัดประชุมในวันพรุ่งนี้หัวข้อาการสนทนาจึงเปลี่ยนไปอาหารที่สั่งทยอยมาเสิร์ฟจึงครบพวกเราทานอาหารกันไปคุยกันไปท่ามกลางสายฝนที่ยังกระหน่าลงมาอย่างหนักโดยไม่มีทีท่าว่าจะซาเม็ดตอนนี้เกือบหกโมงครึ่งแล้วบรรยากาศด้านนอกมืดมิดเหมือนตอนกลางคืนนั่นคงจะเป็นเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักด้วยจะเห็นแสงไฟบ้างก็เฉพาะบ้านคนหรือร้านค้าเท่านั้น ทัศนวิสัยตอนนี้ถือว่าแย่เต็มทีหลังจากนั้นไม่นานทีมงานของพวกเราขอตัวกลับก่อนเพราะต้องเดินทางอีกไกลแต่ผมก็ยังอดสงสัยในเรื่องของเส้นทางไม่หายสายฝนยังคงสาดเม็ดลงมาเหมือนฟ้าร่วงสารถีมากประสบการณ์อย่างพี่เอใช้ความเร็วได้ไม่มากนักจากปกติที่เคยนั่งรถกับแกแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามแข่งแต่ครั้งนี้ความเร็วถูกจำกัดด้วยสภาพอากาศอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังออกมาจากร้านอาหารไม่นาน หลายคนเริ่มจะหลับเพราะเพียจาัด ก, การทำงานมาทั้งวันอีกทั้งเพิ่งทานอาหารมาอีกอีกและบรรยากาศเย็นๆไม่มีอะไรเหมาะกับ ก, บการยีบสักตื่นอีกแล้วผมเองอยากจะหลับเต็มทีเหมือนกันแต่ต้องคอยช่วยคนขับดูเส้นทางครังนั้นผมก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับพี่เอบรรยากาศภายในรถเงียบกริบทุกคนดูท่าจะหลับไปแล้วรถตู้โตโยต้าสีขาวหลังคาสูงพาหนะที่ใช้ในการเดินทางของทีมงานทั้ง6ชีวิตขับมาตามเส้นทางเรื่อยๆ ไม่นานเราก็มาถึงทางแยกพี่เอศาสตร์ไฟสูงเพื่อดูทางจังหวะนั้นทําให้ผมเห็นป้ายบอกทางอยู่ไม่ไกลเลี้ยวซ้ายไปหนองคายเส้นเลี้ยวแม่น้ําโขงแต่ถ้าตรงไปเราจะตัดเข้าถนนมิตรภาพมุ่งตรงสู่อุดรและขอนแก่ไปทางไหนพี่เอถามผมพราอมไปยกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วถ้ากลับทางเดิมมันจะอ้อมนะพี่ผมว่าเรตัดไปทางนี้แหละใกล้กว่าทั้ง20่ิบกว่าโลนะผมพูดขณะกางแผนที่จาก o ูเกิลดู แทนคำตอบสารถีประจำทีมเร่งเครื่องขับวิ่งตรงไปทันทีพี่เอกองไม่อยากขับอ้อมเหมือนกันแม้ทางจะไม่ค่อยดีตามที่ลูกค้าบอกแต่ถ้าค่อยๆไปยังไงก็น่าจะเร็วกว่าหรือแม้ทางจะเปลี่ยวไปสักหน่อยแต่เราก็มากันหลายคนคงไม่น่ากลัวอะไรนักจากแผนที่ในมือผมเส้นทางจากท่าบ่อไปถึงทางแยกหลักที่ถนนมิตรภาพเป็นทางตรงผมอยากจะหลับสักหนึ่งหูฟังของ MP3 ถูกเสียบไว้ที่หูสองข้างของผม ของนิดเดียวทำขี้เหนียวใจน้อยจูบแก้มงามสํำรอยโผลรัวด่างพร้อยเป็นรอยไปได้เสียงเพลงจากชายมังสิงศิลปินในดวงใจดังแว่วขึ้นไม่ทันจะจบเพลงที่สองผมก็เข้าสู่นิทราผมหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้ความรู้สึกผมกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อมีมือของใครบางคนมาสกิจที่แขนขวาพร้อมกับเรียกชื่อผมทีีผมลืมตาขึ้นมาที่เอนั่นเองผ้าทางเราจะหลงวะ เอ่ยขึ้นมาเป็นประโยคแรกน้ำเสียงเจือไปด้วยความกังวลยังไม่ถึงเส้นหลักเหรอผมถามพร้อมกับยันกายที่เองหลับให้นั่งตรงอืมคณขับตอบสั้นๆสายตายังจับจ้องอยู่ที่เส้นทางข้างหน้าผมก้มตัวนาฬิกาที่ข้อมือแสงคลายน้าที่เข็มนาฬิกาบอกเวลาสามทุ่กว่าผ่านไปแล้วสชั่วโมงกับเส้นทางไม่ถึง30กิโลมันไม่ใช่หลงทางธรรมดาซะแล้วทุกคนยังหลับสนิทความกังวลของผมเพิ่มขึ้นเป็นสีคูณ ถ้าทางวันนี้จะไม่ใช่วันที่ดีของผมเสียแล้วผมปิดเครื่องเล่น mp 3แล้วค่อยค่อยถอดหูฟังออกจากหูบรรยากาศยังเงียบงันทั้งในรถและนอกรถมีแต่เพียงเสียงของเครื่องยนต์เท่านั้นที่ดูจะเป็นสิ่งแปลกปลอมในทื้นที่แห่งนี้คนอื่นๆยังคงหลับสนิทเหมือนผูกสาบสายฝนสาเม็ดลงไปมากแล้วแต่ก็ยังคงตกอยู่ปรปรย์นขับต้องใช้ที่ปั่น้ำฝนเป็นระยะระยะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือหมอก หมอกที่ลอยไอ้ อ, อิ่งอยู่โดยรอบแม้จะไม่หนาทึบนักแต่มันก็รบกวนการเดินทางอยู่ไม่น้อยนั่นแสดงว่าอากาศด้านนอกรถคงเย็นพอสมควรรถของเรายังคงแล่นต่อไปเรื่อยๆบนสภาพถนนที่ขาดการบำรุงรักษามานานสองข้างทางเป็นทุ่งนาสลับกับสวนยางพาราของชาวบ้านเป็นช่วงๆทาให้บรรยากาศดูเปล่าเปลี่ยววังเวงเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะช่วงที่ขับผ่านสวนยางพาราที่สูงทึบทะมึนมืด ยืนต้นแก่สูงเลีว้วกลืนกับสีของท้องฟ้าในยามนี้ที่มืดทึบไม่ต่างกันดูแล้วมันกับว่าเรากําลังอยู่ในอีกโลกหนึ่งก็มีป่าไม่มีแสงไฟไม่มีบ้านคนไม่มีปั๊มน้ํามันไม่มีรถกันอื่นที่วิ่งอยู่บนถนนเส้นนี้และไม่มีป้ายบอกทางเราไม่มีที่พึ่งซะแล้วในยามนี้ย้อนกลับไหมน้ํามันรถเหลือไม่มากแล้วนะพี่เอถามเมืนจะขอคํญญายืนยันสนับสนุน นี่ก็ขับมาไกลแล้วนะพี่มันอาจใกล้ถึงแล้วก็ได้ผมว่าลองขับไปอีกหน่อยถ้าเจอบ้านใครก็แวะถามเขาเอาผมตอบออกไปทั้งที่ความหวังดูเรียบรียเต็มทีแต่ที่ขับมาตั้งนานยังไม่เจอบ้านใครเลยอยากจะถามทางอยู่เหมือนกันว่าแต่แผนที่ที่บอกมาทางนี้ถูกแน่นะคนขับขอาการยืนยันอีกครั้งขณะที่เหมือนพวงมาลัยเพื่อเข้าโค้งข้างหน้าถูกซิพี่เส้นทางมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยอีกอย่างตั้งขามาก่อนเข้าตัวหนองคายผมก็เห็นทางแยกเข้าท่าบ่ออยู่มันก็เส้นนี้แหละ ผมยังยืนยันหนักแน่นทั้งที่ในใจเป็นกังวลอยู่ไม่น้อยระหว่างที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้อยู่นั้นหลังจากที่รถพ้นโค้งมาแล้วพลันสายตาของเราทั้งสองคนก็มองเห็นไฟท้ายของรถยนต์อยู่ข้างหน้าห่างกันประมาณ50วา์เห็นจะได้ด้วยความมืนมิดของสถานที่และสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหมอกทําให้เรามองเห็นแต่แสงไฟสีแดงสองดวงของท้ายรถเพียงดิบหลีลังเลือนผมใจชื้นขึ้นมาทันทีไม่เห็นความหวังอยู่ข้างหน้าโดยไม่ต้องบอกอะไรกันอีก คนขับมาประสบการณ์ทดเกียร์ต่ําเพื่อเร่งเครื่องตามทันทีเดี๋ยวถามทางคันนี้ดูน่าจะได้เรื่องพี่เอเอ๋ยหรือคันนี้ก็หลงทางเหมือนเรา <c oughs> ผมพูดติดตลกเพราะบรรยากาศเริ่มดีขึ้นคนขับรถประจําทีมงานเร่งเครื่องยนต์เพื่อจะให้ทันรถคันหน้าที่เป็นเพียงความหวังหนึ่งเดียวของเราในตอนนี้แต่ก็ทำความเร็วได้ไม่มากนักเนื่องจากสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์คงเป็นเพราะอบตอเอางบประมาณไปสร้างสํานักงานที่ใหญ่โตกว่าที่ว่าการอําเภอหมดหรือเปล่า ถนนของชาวบ้านถึงได้โฉมขนาดนี้ผมคิดไปเองอีกไม่ถึงสาสิวาก็จะทันรถคันหน้ารถของเราเล่นความเร็วเพื่อตามไปอย่างติดๆเริ่มมองเห็นไฟไท้ายรถสีแดงทั้งสองดวงชัดมากขึ้นไม่ทันที่จะใกล้ได้มากกว่านี้ความหวังของเราก็แล่นรับเหลี่ยมโค้งข้างหน้าเพื่อจะรอความเร็วเพื่อเข้าโค้งตามทันทีที่เราพ้นเหลี่ยมทางโค้งนั้นมันทําให้เราสองคนต้องบาะหลาดใจเฮ้ย <Hey! S 1> เป็นเสียงที่เราสองคนอุทานออกมาแทบจะพร้อมกันมันหายไปไหนวะ พี่เอพูดออกมาเหมือนจะไม่ต้องการคําตอบแต่เพราะความสงสัยมากกว่าอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นเนอะเมื่อกี้ยังขับมาดีๆอยู่เลยผมเอ่ยออกมาเหมือนจะบ่นกับตัวเองพี่เอศาสตรไฟสูงเพื่อสํารวจทางเบื้องหน้าทันทีแต่ด้วยสายหมอกที่ปกคลุมและแสงไฟจากหน้ารถตู้ช่วยอะไรได้ไม่มากไม่มีรถที่เราขับตามมาเมื่อสักครู่นี้มันหายไปไหนกันฝนยังคงโปรยปลายแม้จะเบาลงมากแล้วแต่บนท้องฟ้าเบื้องหน้ายังคงเห็นแสงแหลบแป ล, ปลบ การนึลิงของพญาอสอรพิษอยู่เป็นระยะสงสัยข้างหน้ามีโคง้งตามไปพี่ผมพูดขณะที่สายตา ม, มองกวาดสารวจบริเวณสองข้างทางเราขับต่อมาเรื่อยๆไม่มีโคง้งไม่มีเนินไม่มีทางแยกและไม่มีบ้านคนมันเป็นทางตรงกว่า2กิโลตลอดระยะทางกว่า2กิโลไม่มีใครเอ่ยอะไรขึ้นอีกถ้าทางของพี่เอคนขับรถประจําทีมเรื่องกระสับกระส่ายผมมองสํารวจไปที่ประตูรถด้วยความแน่ใจ มันยังล็อกอยู่ในตำแหน่งเดิมทางข้างหน้าเป็นทางบังคับโค้งซ้ายทันทีที่ผ่านค้นทางโค้งออกมาเรามองเห็นท้ายรถคันนั้นอีกครั้งมันอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักคราวนี้พี่เอเร่งเครื่องตามทันทีโดยไม่สนใจหลุมบ่อบนพื้นถนนแต่ตรงนั้นคนอื่นในรถก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะตื่นรถคันข้างหน้ายังขับไปตามปกติเลยอีกไม่ถึงสึบว่าก็จะทันกันที่เอเปิดไฟสูงสิ่งที่ผมเห็นเบื้องหน้าทําให้ผมต้องขยี้ตาเพื่อจ้องมองอีกครั้ง ผมเห็นแต่แสงไฟแต่ไม่เห็นท้ายรถระหว่างดวงไฟสีแดงทั้งสองดวงมันว่างเปล่าพี่เอหันมามองหน้าผมทันทีเหมือนอยากให้ผมอธิบายสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมไม่ได้ปรีกปากพูดอะไรสายตายังคงจับจ้องกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าสงสัยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สองคันขับคู่กันมาผมพยายามให้คำตอบกับตัวเองเพราะยังไม่แน่ใจนักและมองเห็นยังไม่ชัดพี่เอเร่งเครื่องยนต์เพื่อเข้าใกล้มากกว่านี้แต่รถข้างหน้าเร่งความเร็วขึ้นอีกระยะห่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรยังคงเร่งเครื่องขับตามไปเกือบหกิโลที่เราเร่งเครื่องยนเพื่อที่จะตามให้ทันและแล้วผมก็เอ่ยกับพี่เอด้วยน้ําเสียงหวัดหวาดผมว่าข้างหน้าเรามันไม่ใช่รถแล้วละ่ะก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นไฟไท้ายรถไม่ใช่รถแล้วมันจะเป็นอะไรหรอกพี่เอยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมบอกพี่ดูดีๆสิถนนขรุขระแบบนี้ขนาดรถอรยังสั่นปเป็นย่าเข้าและไอรถข้างหน้ามันนิ่งเกินไปเหมือนกับล้อรถมันไม่ติดพื้นเลยอะไฟท้ายที่เราเห็นมันแทบไม่สะเทือนเลยนะนิ่งยังก็ลอยอยู่อย่างนั้นะ่ะ ผมพูดโดยที่สายตา ย, ยังไม่ล้าจากเป้าหมายที่อยู่เบื้องหน้าไม่ไกลพร้อมกับมือทั้งสองข้างที่ลูกขึ้นลงอยู่ที่ต้นแขนไม่ทันที่จะมีใครพูดอะไรกันต่อภาพที่เห็นเบื้องหน้าทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวตาไม่กระพริบผ้าปากค้ำเหมือนมีก้อนอะไรมาติดจุกอยู่ที่ลำคอไม่อาจเอ่ยอะไรออกมาได้แสงไฟที่ผมเข้าใจว่าเป็นไฟท้ายของรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์มาโดยตลอดบัตรนี้เริ่มลอยสูงขึ้นจับพื้นถนนเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้น แล้วค่อยๆลอยห่างออกจากกันผมจ้องตาให้กระพริบใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นระคนกับความกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าที่เอถอนเท้าจากคันเร่ทงทันทีมันลอยสูงขึ้นจนถึงยอดต้นยางพาราที่อยู่ข้างทางและลอยหายไปอย่างรวดเร็วผมไม่ได้พูดอะไรกับพี่เอเช่นเดียวกับพี่เอที่คงจะอยู่ในอาการตกตะลึงไม่แพ้กันมือของผมการพยางนิ้วดดาที่คล้องคอไว้แน่นในใจก็นึกว่าสิ่งที่พบเห็นจะเป็นอะไรก็ช่างถ้ากลับไปถึงบ้านผมจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ แต่ขอให้พวกเราหลุดออกไปจากที่แห่งนี้โดยเร็วสักทีเถอะฉับพลันเมื่อสติกลับคืนมาไปเพี่ผมจะก่อนบอกพี่เอทั้งที่นั่งอยู่ใกล้กันแค่นั้นไปไหนหรอขับไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอยู่ตรงนี้ไม่ดีนะผมตอบไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีคันเด่งถูกเหยียบอีกครั้งด้วยเท้าที่สั่นเทาเสียงเครื่องยนต์ครางกระหึ่มฝ่าความมืดต่อไปโดยยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราจะไปสิ้นสุดที่ใดในหัวของผมขณะนี้เต็ไมไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้ มันสับสนวุ่นวายไปหมดจากจุดนั้นมาไม่ถึง5กิโลผมมองเห็นแสงไฟอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นสีเหลืองนวลของไฟบอกทางมันทาให้ผมหายใจคล่องขึ้นมากทางด้านซ้ายของถนนมีป้ายบอกทางที่ทําจากไม้เก่าๆเขียนด้วยสีขาวแต่การเวลาก็ทําให้ข้อความบร น, นั้นเลือนรางเต็มทีมีรูปสอนชี้บอกทางให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปอีกสามกิโลจะออกถนนเส้นนิทรรภาพรอดแล้วเว้ยพี่เอพูดออกมาด้วยความดีใจผมหันไปมองหน้ายิ้มๆไม่ได้พูดอะไร กมดูนาฬกาข้อมือบอกเวลา21นาฬกา38นาทีถึงแม้จะล่วงเลยเวลามามากแต่ตอนนี้ผมรู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเยอะปัดนี้สายฝนขาดไม่ไปแล้วสายหมอกที่เคยปกคลุมตลอดการเดินทางก็ดูเหมือนจะจางหายไปด้วยหมดสิน้นเราขับใกล้กันไปเรื่อยเรื่อเริ่มมองเห็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านเรือนบ้างแล้วก่อนถึงเสาไฟที่ว่ามิหานเปนนักทังด้านขวาของถนนเป็นกำแพงปูนสีขาวเหลืองเก่าคร่ามๆสูงประมาณ1วาตั้งขนานไปกับเส้นถนน เมื่อสังเกตดีๆจึงรู้ว่าเป็นกำแพงวัดนั่นเองรู้จากสภาพแล้วน้อคงทำหน้าที่บ่งบอกเขตแดนของวัดมาหลายสิบ ป, ปีและที่ข้างกำแพงวัดแห่งนั้นในกล้กับเสาไฟไม่กี่วาผมสังเกตเห็นผู้หญิงสองคนแต่งตัวเหมือนชาวบ้านแถวนั้นยืนอยู่จากแสงไฟที่หัวเสาและไฟจากหน้ารถตู้ซึ่งขณะนี้ลดความเร็วลงแล้วเพราะข้างหน้าเป็นทางแยกทําให้เห็นใบหน้าของผู้หญิงทั้งสองคนอย่างชัดเจนมันเป็นใบหน้าที่เย็นชาไร้ความรู้สึกก้มหน้าเล็กน้อย ยินนิ่งเหมือนรอคอยอะไรบางอยา่างก่อนที่รถของเราจะเคลื่อนผ่านไปผมต้องสะดุ้งอีกครั้งรู้สึกชาไปทั้งตัวเย็นว่าผลนี้ใครเอาน้ำเย็นจัดมาราดเมื่อผู้หญิงทั้งสองคนเหลือบตาขึ้นมาจ้องที่ผมทั้งที่ใบนหน้ายังก้มอยู่เหมือนกับรู้ว่าผมจ้องมองอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับอ้าปากว้างสยายยิ้มออกมาเหมือนจะเย้ยหยันมองเห็นในปากสีดาสนิทกลวงโบสเสมือนหลุมดำที่พร้อมจะกลืนกินทุกอย่างเข้าไป สายตาจ้องกระเหม่งมองตามรถที่เคลื่อนผ่านผมนั่งนิ่งตัวแข็งก้มหน้าลงทันทีถ้าทางพี่เอคงไม่เห็นเหมือนกับผมหรือไม่ทันสังเกตถึงไม่มีปฏิกิรยิยาใดๆเกิดขึ้นยังคงทำหน้าที่ขับรถตามปกติพร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งสู่เส้นทางสายหลักพี่ขับเร็วหน่อยได้เปล่าผมอยากเาห้องนะ้ำผมพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่สัน่นเพราะความหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านี่ผมไม่ได้ต้องการเข้าห้องน้ำเพียงแต่อยากจะออกไปจากแถวนี้ให้เร็วที่สุด เพราะไม่รู้ว่าเบื้องหน้าจะเจอเข้ากับอะไรอีกบ้างไม่กี่อึดใจรถของข้าหน้าเดินทางก็ตัดออกสู่ถนนใหญ่สายมิตรภาพเลี้ยวซ้ายและอยุ่เทินพมุ่งหน้าสู่อุดอรและปลายทางที่ขอนแก่นตามลําดับระหว่างทางพีเอสารธีจัาหน่วยงานขนส่งของบริษัทพยายามสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่สามารถให้คําตอบได้และไม่ได้พูดถึงผู้หญิงสองคนที่ผมเห็นที่ข้างกำแพงวัดให้ฟังสิ่งที่ไ่สู่ไม่ได้นั้นอาจทําให้เราหลงทางหรืออาจจะช่วยบอกทางให้เราก็ได้ ไม่มีใครรู้หลังจากขับต่อมาได้สักพักคนขับก็แวะพักและเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทะ ท, ทุกคนในรถเริ่มขยับตัวเพราะตื่นจากการหลับไหลเหมื่อไม่ได้สติมานานใครคนหนึ่งในคณะพูดขึ้ขนมาขณะยืดแขนเพื่อบิดขี้เกียจโอ้ยอยังไม่ถึงอีกเหรอเนี่ยอ้ยหลับยาวเลยทัางนี้พี่เอกขับช้านะเนี่ยขณะที่กําลังเติมน้ํามันพี่แชมป์และพี่ต่อลงจากรถจําอาเพื่อได้ไปเข้าห้องน้ําพิดายังสา ร, รวนอยู่บนรถเพื่อหากระดาษทิชชู่ พี่เอคนขับอยู่ประจารถผมจึงเดินมากับน้องมดเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหญิงสาวอีกคนของคณะทา ง, งานพี่ตลอดทางหนูไม่ได้หลับเลยนะเธอเอ่ยขึ้นโดยที่ไม่ได้มองหน้าผมและพูดต่อแล้วพี่เป็นอย่างที่หนูเห็นหรือเปล่าหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ